เอาละเดี๋ยวเราศึกษาต่อนะในเรื่องของเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของคําว่ากรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะและวิปัสสนาคำว่ากรรมฐานเนี่ยมีอยู่สองบทนะแยกสัพท์มาแล้วก็คือคําว่ากรรมะบวกกับคําว่าฐานนะกรรมะนี่แปลว่าการกระทํา ฐานะนี่แปลว่าเป็นที่ตั้งถ้ารวมกันแล้ว ก, กรรมฐานก็แปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสสนาใช่ไหมมาจากคาว่าติถติเอถาติฐานังนนแปลฐ า, านะส่วนว่ากรรมมังเนี่ยหรือกรมม่มาจากคาว่ากิริยากรรมมังการกระทําชื่อกรรมส่วน ฐานังก็หมายจะคำว่าติดทติเอถาติฐานังการเจริญสมถะและวิปัสนาย่อมตั้งอยู่ในอารมมีกสินและรูปนามฉะนั้นอารมเป็นอันมีกสินเป็นต้นและรูปนามจึงชื่อว่าฐานนะจึงชื่อว่าฐานฐานก็คือที่ตั้งของกรสินก็เป็นที่ตั้งของการเจริญสมถะรูปนามก็เป็นที่ตั้งของการเจริญวิปัสนาเช่นนี้นชัดไหม ทบวกรูปนามก็หมายถึงขันห้าด้วยอายตนะด้วยธาตุด้วยสัจจะด้วยอินทรีย์ด้วยปฏิจจสุบาทด้วยสรุปลงในอริยสัจสี่ด้วยนั่นแหละเป็นที่ตั้งของการเจริญวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นกรรมฐานมีอยู่สองอย่างคืออารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็อารามณิกะภาวนากรรมฐานนั่นอย่างหนึ่งเมื่อวานนี้แหละไปจบลงตรงนี้แหละ อารมณ์กรรมฐานกับอารมณิกะภาวนากรรมฐานทีนี้อารมณ์กรรมฐานได้แก่อารมณ์ของสมถะอารมณ์กรรมฐานของสมถะมี 40, ะสี่สิบกษินสิบอสุภาสิบอนุสติสิบอปมัญญาสีวรฐานหนึ่ง อารเรียฏิกูลสัญญ า, า, รรานหนะ น, นึ่งอารมณ์กรรมฐานสี่รวมเป็นสี่สิบนะอันนี้คืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานของสมถะถ้าอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนาก็มีรูปนามเป็นต้นดังที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี่แหละขันธ์อวยตนาธาตุกรมมจจะฐานังกรรมฐานังอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะ กับอารมณ์ที่อันเป็นที่ตั้งการเจริญวิปัสนาชื่อว่ากรรมฐานทีนี้อารามิกอารามนิ ก, กภาวนากรรมฐานได้แก่อะไรอารามนิ ก, กภาวนากรรมฐานได้แก่ความการพยายามที่จะเจริญสมถะการเจริญการเพียรพยายามในการที่เจริญวิปัสนาที่เกิดขึ้นก่อน วจนะฐานิี้มาจากคาว่ากรรมะสถานังกรรมะฐานังไอความพยายามที <te Liberty Overwatch> ่เกิดขึ้นก่อนๆอันเป็นที่ตั้งของความพยายามที่เกิดหลังๆที่ว่ากรรมฐานสําหรับวจนะถะในข้อนี้นั้นหมายความว่าความพยายามที่เกิดขึ้นในครั้งหลังๆเนี่ยมีความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆเป็นระยะสืบต่อกันมานั่นเองเป็นที่ตั้งฉะนั้นความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆนั้นจึงชื่อว่าเป็นอารามานิกาภาวนากกรรมฐาน สรุปแล้วก็คือพูดแล้วนะ่าจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่พ่อจะเข้าใจไหมอารมณ์สมถะและวิปัสนามกรรลมของสมถะก็มีกสินเป็นต้นที่ชื่อว่ากรรมฐานความพยายามที่เกิดขึ้นก่อนๆติดต่อกันเป็นลระดับชื่อว่ากรรมฐานทั้งสองประการนี้ต่างกันว่าอารมณ์กรรมฐานกับคําว่าอรรมานิกะ มันมีคําว่าอารัมมณธรรมกับอารัมมณิกธรรมเนาะอะไรเป็นอารัมมณิกธรรมอะไรเป็นอารัมมณธรรมอะไรเป็นอารัมมณธรรมอารัมมณธรรมก็คืออารมณ์กรรมฐานอารัมมณิกธรรมก็คือสติเป็นต้นน่ยที่เข้าไปรู้ที่เข้าไปรู้อารัมมณิกธรรมมันเหมือนอย่างนี้นะว่าอารัมมณิกธรรมอารัม อารัมมณธรรมกับอารัมณิการกธรรมใช่ไี้อารัมณิกธรรมยกตัวอย่างเช่นรูปารมณ์เป็นอารัมณธรรมเป็นอารัมณปัปจัยส่วนจิตมีจกักขุวิญญาณเป็นต้นที่เข้าไปรับรูปารมณ์นี้เป็นอารัมณปัจจยุบันนี่เป็นอารัมณิกะ คือเข้าไปรู้ไม่ยากตรงนี้เดี๋ยวขยายนิดนึงปัจจยุบันเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวผลปัจัจเนี่ยอ ร, รมาณะปัจใจเนี่ยเป็นตัวเหตุสังเกตอย่างนี้นะว่าสีเนี่ยสีเป็นปัจจัยจิตที่เข้าไปรู้เป็นผล ถ้าไม่มีสีเนี่ยจกักวูญญาณจะเกิดได้ไหมถ้าไม่มีสีจกักวิญญาณจะเข้าไปรู้ได้ไหมเอางี้ว่าเอาหลับตาเนี่ยเราคิดถึงกุติกุติเนะี่ยเป็นอารมณะปัจจัยจิตที่เราคิดถึงกุติเป็นอารมณปัจจยุบัน ไอ้ตัวนี้แหละเขาเรียกอารมณิกธรรมธรรมที่เข้าไปรู้ก็คือตัวจิตเจตสิกที่เข้าไปรู้ใช่ไหมและในขณะเดียวกันนะจิตเจตสิกก็เป็นผู้ถูกรู้ก็ได้จิตที่เกิดก่อนอย่างเงี้ยนะดับไปแล้วเนี่ยต่อมาจิตที่เกิดหลังๆเข้าไปรู้จิตที่เกิดก่อนเช่นเมื่อสักครูโกรธที่หายเลยโกรธเมื่อสักพักพอสักพักนึงกัไปคิดถึงความโกรธของตนเองที่ดับไปแล้ว ฉนั้นจิตที่โกรธเนี่เป็นอารามนาปัจจัยจิตที่เข้าไปรู้เนี่ยเป็นอารามนาปัจจายุบันใช่ <g Medicine> ไหมล่ะอุปมาเหมือนตัวละครส่วนอีกอย่างหนึ่งอุปมาเหมือนกับผู้ดูละครอารามนาธรรมเนี่ยเหมือนตัวละครอารามณิกาธรรมหมายถึงตัวผู้เข้าไปดูละคร ใครเป็นผู้เล่นใครเป็นผู้ดูรูปารม์เป็นปัใจจัยให้กับจกักวิญญาณรูปารมณ์เป็นเหมือนการแสดงละครจกคักวิญญาณเป็นเหมือนผู้ดูละครไอตัวแสดงละครเป็นอารามณธรรมตัวเข้าไปดูเป็นอารามณิกธรรมเวลาเรากำหนด ลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารามณธรรมสติที่เข้าไปรับหรือเข้าไปรู้ลมเข้าแล้วลมออกเป็นอารามณิกธรรมแค่นี้เล่าเห็นเนีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารามณธรรมสติเป็นต้นที่เบลลึกรู้ ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอารามนิกาธรรมก็มีแค่นี้เองมีตั ว, ตวใช่จะเป็นรูปเป็นนามก็ได้เาต่อไปก็พูดถึงเรื่องกรรมฐานตามนัยยะขมูลอดีกาไปกรรมะเมวะวิเศษสาทิขมะธิขมาศะฐานาันติกรรมฐานนัง แลก็ว่ากรรมเมภาวนารับโธานนันติกรรมฐานังการเจริญภาวนาทั้งสองนี่แหละเป็นเหตุให้บรรลุฌานมรรคและผลนิพพานที่เป็นธรรมะพิเศษฉะนั้นจึงชื่อว่าก ร, รมมัฐานการเจริญภาวนาทั้งสองคือการเจริญสมถะภาวนาและการเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นเหตุให้ได้บรรลุฌานธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุฌานคือสมถะ ธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานคือวิปัสสนาที่เป็นธรรมพิเศษฉะนั้นจึงชื่อว่ากรรมฐานหรืออีกในหนึ่งความพยายามในการเจริญความพยายามเจริญในการกระทําทั้งสองอย่างที่เป็นเหตุแห่งการได้บรรลุฌานมรรคผลนิพพานฉะนั้นจึงชื่อว่ากรรมฐานตามวนจนะฐานทั้งสองในยะเนี้ยหมายความว่าการเจริญสมถะก็ดีการเจริญวิปัสสนาก็ดีทั้งสองอย่างนี้ชื่อว่าเป็นกรรมฐานเพราะเป็นเหตุให้บรรลุอะไร บรุฌานบรุมรบรรุผลบรุนิพพานยถากรรมังคำว่ายถากับมังยถากรรมังก็แปลตามลําดับตามลําดับนะยะถากโมลําดับใดๆชื่อว่ายถากรรมะพระนุรุาจารย์ท่านใช้คําว่ายถากรรมังในะซึ่งเป็นคําพิเศษในลําดับสุดท้ายนั้นก็เพื่อให้รู้ความสําคัญนะของคําปฏิญญาณว่าท่านจะแสดงทั้งสมถกรรมฐานและ วิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ผู้ที่ไข้ควนต่อการศึกษาทั้งหลายได้รู้ได้เกิดความเข้าใจานี่งี้เป็นต้นสรุปตรงนี้คือพูดถึงในเรื่องกรรมฐานพอพูดถึงในเรื่องของกรรมฐานเลยต้องแยกอะไรเป็นอารมณ์อารมาอะไรเป็นอารมณ์กรรมฐานใช่ไหมที่บอกว่า อะไรเป็นกรรมะแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั ok. so ้งนี่แหละกรรมฐานก็แปลเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสมถะและการเป็นที่ตั้งการเจริญวิปัสนาเลยการเป็นอารมณ์กรรมฐานกับอารมณิกัภาวนากรรมฐานอะไรเป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าอารมณ์กรรมฐานก็คือถ้าอารมณ์ของสมถะกรรมฐานก็คือกสินสิบเป็นต้นถ้าอารมณ์กรรมฐานของวิปัสนาคือมีรูปนามเป็นต้น อะไรเป็นอารามณิกาภาวนากรรมาฐานอมีสติเป็นต้นนะเนี่ที่เข้าไประลึกอารามณิกาภาวนาอ่า คืออย่างนี้ก็คือตรงนี้ไงว่าในยาบทบ พ, พันเนี่ยเทวพิกสุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินเมื่อยือนก็รู้ชดัดบัดนี้เรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดบัดนี้เรานั่งเมื่อ น, อนอนก็รู้ชดัดบัดนี้เรานอนใช่ไหมในด้านกอยาบทเนี่ยถามว่าในยาบทบับเนี่ยในขณะที่สติไปกำหนด ระลึกถึงเอียบดยืนเอียบดเดินเอียบดนั่งและไรเอียบดนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแม้สัมปชัญญะบับก็ได้ก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแล่เหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดื่มเคี้ยวลิม้มทาจระประสวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งได้บรรดาเอียบด์เหล่าเนี้ยถามว่าเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาใช่ไหม เ่มันในในลักษณะยังไงเป็นได้สองส่วนคือถ้าหากว่าการระลึกเนี่ยถ้าเราจับคำว่าสมาถะเนี่ยหมายถึงตัวสมาธิใช่ไมตัวสมาถะาจริงๆได้แก่เอกคตาเจไดสิกจำได้ไหมในไห น, ไหนเอกขตาเจสิกที่ในมหากุศลใช่ไม เจคคตาเจสิกที่ในมหากุศลที่เรียกว่าในขณะนั้นมหากุศลเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่มีความสงบเนี่ยทำใดทําให้กิเลสมีการมฉันทานิวรเป็นต้นสงบลงฉะนั้นทำนั้นเชื่อสมถะ ได้แก่สมาธิคือเอกกัตตาเจตสิกที่ในมหาคุศลจิต8และในรูปาวจราปฐมชานจิตหนึ่งถามว่าในขณะที่เราระลึกถึงการยืนเดินนั่งนอนในยาบทใดยาบทหนึ่งแล้วสามารถสมาธิที่เข้าไปตั้งด้วยอนุภาพของความเจริญจิตเป็นสมาธิแล้วนิวรธรรมสงบได้ในขณะนั้น สงบกิเลสเสสเมตี ต, ติสมัโถทำใดย่อมทําให้กิเลสมีการมาฉันทานิวรเป็นต้นสงบระงับลงฉะนั้นธรรมะนั้นชื่อว่าสมัทต์คือในขณะที่ไประลึกอยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเห็นได้รูปนามตามความเป็นจริงหรอกแต่มันระลึกและตั้งมั่นในการยืนในการเดินในการนั่งเนี่ยอาจจะได้แค่อุปยาละแต่กิเลสนะสงบระงับ ในยะนั้นก็ต้องกล่าวว่าเป็นสมถะหรือในขณะที่นั่งอยู่นี่แหละก็ระลึกที่ผมที่ขนอะไรก็แล้วแต่เถอะพอร ะ, ะลึกแล้วในสงบในกายนั่นแหละจิตก็เข้าสงบนิวราระธรรมมีการมาเฉนท่าสงบระงับได้อันนั้นก็เป็นสมถะใช่ไหมเล่าส่วนในแง่ของวิปัสสนาญาณเนี่ยท่านมาพิจารณาว่าสำหรับบุคคลที่เดินธาตุกรรมฐานได้ดีแล้ว เช่นกำหนดธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและแยกแยะองค์ประกอบได้ทั้งหมดเมื่อแยกแยะองค์ประกอบได้ทั้งหมดเนี่ยเห็นจิตที่คิดจะเดินเช่นกุศลและจิตเป็นปัจจัยแก่การเดินเกิดขึ้นก็สามารถเยงแยกองค์ประกอบของเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นกลุ่มนา ม, มารมแล้วก็จิตต่ชะวาวโยธาตก็คือตัวธาตุลมที่พัดผันในกไปในรัชากาย ผักให้การัชกาลมีการยืนมีการเดินมีการนั่งมีการนอนก็คือหมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปนั่นแหละเห็นด้วยความเป็นธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมที่เป็นตัวถูกผักให้มีการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นก็เห็นด้วยความเป็นขันห้าเดินขันห้ายืนขันห้านั่งขันหานอนจริงๆเนี่ยไปแยกแยะองค์ประกอบได้เหล่านั้นทั้งหมดในขณะนั้นก็คือตัววิปัสสนาปัญญานั่นเองเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ทั้งสองส่วน คือในด้านของอานาปานาสติเนี่ยในขณะที่กำหนดเริ่มต้นว่าอันไหนเป็นสมถะไหนเป็นวิปัสนาในขณะที่กำหนดเริ่มต้นทั้งหมดเลยมีสตินีกำหนดรู้สึกว่าหายใจเข้ามีสติกำหนดรู้สึกว่าขณะนี้หายใจออกถ้ากำหนดไปแล้วสามารถสงบประงับนิวรธรรมได้นั่นแหละเข้าสู่ความ เป็นสมถะเพราะตอนนั้นเป็นเอกคตาเจสิกในี่หมาหากุศ ล, ละจิตแปแล้วก็รู้ยาวรู้สั้นรู้ตลอดสายจนถึงสามารถระงับกองลมเป็นไปตามลำดับจนสามารถยังจากบริกรรมนิมิตเป็นอุขานิมิตและจนเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นปฏิภาคนิมิตใสสว่างหรือมีสีเหมือนลุงเหมือนแสงอาทิตย์แสงจันทร์ว่าไป ในขณะนั้นสมาธิตั้งมั่นที่เป็นอุปจาระขมนิวลธรรมได้เป็นปริตตสมถะพัฒนาจากปริตตาสมถะที่ได้ได้ปฏิภาคธนิมิตของลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเป็นอารมณ์ไล่ไปตามลําดับจนยังอปปนาชฉนนะคือปฐมฌานรูปาวจราปฐมฌานให้ตั้งขึ้นอันนั้นเป็นมหาคตาสมถะอันนั้นสมํมฤทธิผลเป็นสมถะแล้วมีวิตกวิจารปิติสุกเอกคตาเกิดขึ้นเป็นองค์ฌาน ชาณจิตที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อได้ชาณจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็มาฝึกเวสีให้ชำนาญเริ่มตั้งแต่อาวชนะเวสีชำชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่ในชาญที่จะไม่ให้ตกผวังชำนาญในการไปพิจารณาว่าีิวิตกเป็นอย่างนี้วิจาร์เป็นอย่างนี้วิติสุขเอกคตาเป็นอย่างนี้เป็นต้นจนชำนิชำนาญเบ็ดเสร็จแล้ว จะพัฒนาขึ้นสู่ทุติยชานเลยก็ว่าไปแต่ถ้าชำนาญอย่างนั้นจะเอาชานเป็นฐานในการเดินวิปัสสนาญาณก็ได้ออกจากชานปุ๊บก็ไปกำหนดได้สองส่วนกำหนดรูปธรรมก่อนก็ได้ถ้ากำหนดรูปธรรมก่อนก็ไปกำหนดหัยถยวัตถุอันเป็นที่ตั้งของชานสมาบัตินั้นเป็นที่ตั้งของจิตนั้นน่ตัวหัตยวัตถุรูปเนี่ยเป็นอุปาทยรูปก็เจาะลงไปว่าหัยวัตถุเนี่ย รูปหัวใจเนี่ยอันเป็นที่ตั้งของจิตเจสิกโดยเฉพาะชาติจิตตั้งขึ้นอาศัยเกิดขึ้นเนี่ยในรูปธรรมเหล่านั้นอาศัยอะไรเกิดอ๋ออาศัยาธาตุดินาธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอ๋อมีสีด้วยมีกลิ่นด้วยมีรสด้วยมีโอชาด้วยมีชีวิต ร, รูปด้วยมีหทาทายวัตถุด้วยอ๋อสิบรูปนี้มีมหาพุทธรูปสี่อุปาทายรูปเค่หกที่อาศัยอยู่นี่ น, นีนี่กระลาบหนึ่งก็จะไปเห็นตัวพวกวัตถุทาสักกราบ แล้วเจาะลงไปก็จะเห็นชีวิตตะนวากกกราบมีหมหาพุทธรูป4แล้วก็สีกลิ่นรสโอชาแล้วก็ชีวิตตะออนิการูปแล้วสามารถจะไปเจาะที่จกักรคูทศกัณฐ์ด้วยธา ด, ดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตรูปและจกักรคุป萨ตหรือว่าคารณทศกัณฐ์ชิวหาทศกัณฐ์กายทศัศกัณฐ์สามารถเจาะกราบได้ทั่วกายเลยแยกแยะละเอียดละอวิจัยเห็นเป็นรูปธรรมและนามธรรมามีแค่หมหาพุทธรูปและ อุปาทายรูปสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีมีแต่รูปธรรมเทา่านั้นที่กําลังเป็นไปอยู่ชําระความเห็นจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจอดนี่รูปกรรมฐานสําเร็จแล้วต่อมาก็นามกรรมฐานคืออะไรนามกรรมฐานก็อะไรเด่นที่สุดตอนนั้นองค์ฌานเด่นปฐมฌานเด่นในปฐมฌานคือวิตกองฌานเน่ยเด่นมากวิจารณ์ก็เด่นปีติก็เด่นสุขก็เด่นอุเวทนาก็เด่นคือเวขาเนะี่ย วิตกวิจารณ์สุขเอกคตาวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาในองค์ฌานหอันนี้เป็นกลุ่มสังขารละขันธ์แล้วก็เจาะลงไปมีเวทนาประกอบด้วยคือเป็นเวทนาขันธ์มีสัญญาความจําได้หมายรู้ด้วยจิตเป็นประธานอยู่ด้วยแล้วยังไปเจาะเจตสิกธรรมอื่นๆอีกด้วยมีทั้งภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชุวิตินท ร, ร์วิตกวิจารในทั้มดวิริยาปีติฉันทะ สัทธาสติหีดีโอตปอาอารมภาคโทสัตรรัตมัชตชะโอ้โหเต็มไปหมดเลยตีนี้กลุ่มนามธรรมก็สามารถแยกนิกเวทนาขันนะนี่สัญญาขันนะนี่เป็นสังขารละขันนี่วิญญาณขันนะก็มีกลุ่มนามธรรมเท่านั้นก็เลยแยกได้ว่าอันนี้คือนามธรรมอันนี้คือรูปธรรมก็แยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้สติปัญญายานที่ไปแยกร า, ายละเอียดอย่างนี้เขาเรียกวิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นแล้วแยกรูปแยกนามได้ แยกสัตว์ไม่มีบุคคลอัตตาตัวตนเราเขาหญิงชายทั้งหลายเหล่านี้เป็นสมมตุติแท้ที่จริงมีแต่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นนีว่ว่าด้วถ้าแยกเป็นห้าเขาเลยขันห้าคือรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณานี้เป็นต้นปัญญาที่ไปเห็นรายละเอียดในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกทิฏฐิวิสุทธิเรียกอีกอย่างเขาเรียกานามรูปปริเคทยานถ้าแยกรูปได้ก่อนเขารูปรูปปริเคทยาน มาแยกนามทีหลังก็เงนามมาปริเคษทะยานแล้วก็มาแยกทั้งรูปทั้งนามอีกก็เงนามมารู ป, ปะปริเคษทะยานเป็นทิฏฐิบิสุทธิ์ที่เป็นความเห็นเสี้ทีสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอันนี้สำลิดผลในยานแรกอย่างนี้เป็นต้นนี่เข้าสู่วิปัสสนาญาณจากการที่สมถะเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนาเป็นไปด้วยการอย่างนี้เพราะจะเห็นไหม ก็ต้องมาแยกอย่างนี้ทั้งนั้นใช่ก็ต้องรู้จักว่ามันประถมชาตมีอะไรก็ต้องเข้าไปรู้ให้ชัดไปรู้รูปธรรมก่อนหรือนามธรรมก่อนตามอัธยาสัยอะไรชัดที่สุดโดยส่วนใหญ่ก็ไปพิจารณาสิ่งที่หยาบหยาก่อนโดยมากเฉพาะก็รูปธรรมแล้วก็กําหนดนามธรรมที่หลังอย่างนี้เป็นต้นมันไปเจาะรายละเอียดได้หมดถ้าจิตมันใสจิตมันตั้งมั่นจิตสะอาดแล้ว ก็สามารถที่ไปเจาะทะลุทะลวงสภาวธรรมเหล่านี้ได้ไม่ยากแต่ที่มันไปเจาะไม่ได้ในตอนนี้มันมืดตั้งแต่จิตที่เป็นสงบจา ก, กิเลสนิวรณธรรมมันก็สงบไม่ได้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาตามมาอีกเยอะเลย ก็ก็อยู่ที่ตรงว่าใครทําจิตประเภทไหนให้เกิดขึ้นได้ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเอาจิตและเจตสิกประเภทนั้นมาวิจัยโดยความเป็นนามธรรมที่เห็นได้ถ้ายังเกิดไม่ได้หรือยังไม่มีขึ้นในคันธสันดานก็ยังไม่สามารถนามาวิจัยได้เพราะไม่มีในตนอย่างนี้เป็นตน้นเนาะตรงนี้ก็คือโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่นามธรรมที่กลุ่มที่ชานาจิตเท่านั้นยังต้องไปวิจัยนามธรรมทีม่ฝ่ายของอกุศลด้วย ที่เกิดมีในตนน่ะสิ่งต่างๆวันนี้ต้องเอามาวิจัยทั้งหมดทั้งอกุศลทั้งจักขุวิญญาณทั้งสภาวธรรมเหล่านี้ถ้าไม่วิจัยก็จะเป็นผู้หลงแล้วก็มืนงงอยู่ในเรื่องเหล่านี้เป็นต้นนี่เ็าเรียกว่าเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นในพระศาสนาเท่านั้นสมถะเนี่ยยังถือว่าเป็นฐานเท่านั้นเนีย ที่จะเข้าสู่พระศาสนาที่แท้จริงก็ต้องได้วิปาาัสสนาญาณถ้าไม่สามารถเข้าสู่วิปัสสนาญาณก็แปลว่าตกจากศาสนาระดับปัญญาอย่าแปลกใจนะว่าถ้ายังไม่ได้สมาธิศิกขาก็จะไม่เชื่อมั่นในสมาธิถ้าไม่ได้วิปัสสนาปัญญาก็ยังไม่เชื่อมั่นวิปาาัสสนาญาณก็จะไม่ได้เข้าถึงปัญญาในพระศาสนาเบื้องต้นเลยนี่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ให้ได้ถึงกรรมสกตาก่อน ปัญญาในระดับกรรมกรรมบทเนะ่ยฉลาดในกรรมาบทานี้เป็นต้นนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมหลายคนจึงอ่อนแอจึงกล้าที่ทำคำชั่วได้เพราะว่าปัญญาญาณความเชื่อมั่นในศีลเนี่ยไม่ได้อธิศีละศิขาก็ไม่เชื่อมั่นในศีลที่เกิดขึ้นในตนบางคนบวชเข้ามาเนี่ยทำไม่ได้อะไม่เคยสัมผัส ศีลเลยอะว่ามันมีสภาพยังไงก็อยู่อย่างมึนมึน ง, งงงไปวันวันวันหนึ่งเนี่ยเจตนาศีลเป็นยังไงก็ไม่รู้เจตจำนงคือความจงใจตั้งใจที่จะไม่ร่วงละเมิดเนะ่ยสิกขาบทเนะี่ยเคยเห็นมังยไหมความรู้สึกตรงเนี้ยอย้อนกลับมาศีลก่อนนะเคยเห็นเจตจำนงที่จะไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทหรือเจตจำนงที่จะไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเนะ่ะไอเจตนาสองเจตนานี่มีไหม เจตนาที่จะไม่คิดล่วงละเมิดศิษขาบดีมีไหมแฮมมีไหมนั่นแหละเจตนาตรงนั้นแหละเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรที่ไม่คิดล่วงละเมิดศิษขาบทเนี่ยเคยเกิดไหมเจจมงความจงใจตั้งใจที่จะไม่ล่วงละเมิดศิษขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เพราะเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์แก่กระแสะชีวิตนี้แท้การคิดในกรณีอย่างนี้มีบ้างไหม มีความรู้สึกไม่เห็นบ้างไม่เจตนาเหล่าเนี้ยเห็นไม่เห็นการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่านเห็นเจตนาศีลแล้วแล้วมีเจตนาที่ไม่คิดเบียดเบียนกระแสสัตว์กระแ ส, ะ ส, ะแสะชีวิตของบุคคลอื่นไม่คิดทําลายกระแสะชีวิตของสัตว์อื่นหรือ บ, บุคคลอื่นไอ้เจตนานี้มีบ้างไหมนั่นแหละถ้ามีอย่างนี้เขาเรียกว่าเจตนาศีลในการคิดไม่ล่วงละเมิดศขาบทข้อแรก และไม่คิดเบียดเบียนสัตว์อื่นด้วยการฆ่าด้วยการประทุษร้ายนะเกิดขึ้นแล้วอันนี้ตัวศีลคือตัวนี้แหละในเจตนาศีลและเกจจำนงความจงใจตั้งใจที่จะไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทข้อที่สองมีการลักทรัพย์อย่างเนี้ยมีไหมเคยมีไหมความรู้สึกแบบนี้มีไหมครับเราจะไม่ร่วงละเมิดจะไม่ศิกขาบทคือข้อห้ามที่พระ อ, องค์ ทรงบัญญัติไว้และไม่คิดล่วงละเมิดทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมีไหมเออนั่นแหละศีลนัน่นแหละกะเ็เจตนาศีลเจตจำนงจงใจตั้งใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทข้อที่สามถ้าเป็นคารวาสเนีของสมเด็จเนี่ยชัดจะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทในการประพฤติพรหมจรรย์ที่พระพุทธเจ้ากําหนดหมายเขาไว้เนี่ยมีไหมคราวนี้ย ยังไงแหะเจตนาแข็งแรงไหมเป็นเจตนาดีไหมเจตนาที่เป็นกุศลไหมเชื่อมั่นในในศีลและสิกขาที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ไหมเนี่ยไอความที่เจตจานงตัวนี้แล้วมันเห็นจริงๆแล้วมันชื่นใจจริงจริงตัวนี้มันได้มีความคิดคิดงดเว้นเนี่ยแล้วก็เจตนาที่จะไม่ละเมิดบุตรภรรยาเป็นต้นของบุคคลอื่นมีไหมเจตนาที่จะไม่คิดละเมิดล่วงละเมิดสิกขาบท คืองดเว้นจากการพูดเท็จกาเจตนาที่จะไม่ใช um, นะ้วาจาไปเบียดเบียนคนอื่นส่เสียดคำหยาเพื่อเชื่อมีไหมเจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ห้าของสมณะเนรเป็นต้นเหล่านี้และเจตนาที่จะไม่คิดป้องกันก็คือไม่ทำให้คนอื่นต้องหวาดระแวงในตนเจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทข้อที่หตั้งแต่เที่ยงแล้วไปไม่ไว้วันเนี่ย เจตนาที่จะไม่คิดเอาของล่วงลําคอเจตนาที่จะไม่คิดล่วงละเมิดในการที่ประดับประดาตกแต่งสิขาบทเนี่ยไม่ล่วงลาเมิดสิขาบทนี้เจตนาที่เห็นของหอมข อ, ของเครื่องประดับทั้งหลายเหล่านี้ไม่ประดับประดาตกแต่งดนตรีอะไรทั้งหลายเรื่อนี้เป็นตัวอลไรเนี่ยหรือเจตนาที่ไม่ล่วงละเมิดสิขาบทข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่สิบไม่ล่วงละเมิดก็คือพุทธิย่าไม่ รับเงินและทองเป็นต้นก็มีเจตนาที่จะไม่ล่วงละเมิดสิขาบทนี้เวลาเห็นเงินและทองเห็นทองก็ไม่อยากไปหยิบไปจับมันให้มันเศร้าหมองอะไรเลยเงี้ยมันมีไหมมีไม่มีเห็นไหมมันเจตนาใช่ไหมเกิด จ, น, จนงใช่ไหมจงใจใช่ไหมตั้งใจใช่ไหมที่จะไม่ล่วงละเมิดสิขาบทและจะไม่ละเมิดทรัพย์สมบัติหรือบุคคลอื่นกระแสชีวิตทังศาสตร์อื่นเป็นต้นไอ้เจตนาตรงนี้สําคัญที่สุดถ้าใครยังไม่เห็นมันมีสะเทือนแล้วครับ เห็นนี่ยังตัวเนี้ยเห็นศีลที่เกิดขึ้นในตนนี้ยังเห็นนี่ยังไในเห็นไหมมันมาจากอะไรเจตจำนงที่เป็นกุศลเจตนาดีแล้วแข็งแรงไหมตัวเนี้ยตั้งบ่อยๆทุกวันทุกวันตั้งเสมอเสมอแล้วดึงมาตรวจสอบไหมดึงมาตรวจสอบไหมเออดึงมาตรวจสอบแต่ละวันแต่ละวันมันต้องพองใสที่จะดึงมาจริงๆต้องไม่ฟุ้ง ไม่เคยได้ดึงมั้งเนี่ยนี่ศีลนะถ้าตัวนี้ไม่มีสมาธิไม่ต้องพูดถึงอันนี้พอย้อนกลับแล้วแต่เนี้ยย้อนกลับแล้วเมื่อกี้จะเป็สมาธิพอย้อนตรงเนี้ถ้าย้อนเอามาระลึกมันจึงกลายเป็นศีลานุสติใช่ไหมมองออกไหมว่าเจตนาใช่ไหมเจตนาเป็นศีลทีนี้เจตนาเป็นศีลเนี่ยมันเสริมพันกับเจตสิกเป็นศีลอย่างไง เพราะเจตนาที่ไม่ล่วงละเมิดสิขาบทที่แหละเพราะเจตนาที่ไม่ล่วงละเมิดหรือไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นต้นหรือทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้พอมีเจตนาทั้งสองอย่างนี้แข็งแรงแล้วพอไปเกี่ยวข้องกับไประลึกถึงสิขาบทไประลึกถึงบุคคลอื่นถ้ามีเจตนาชั่วร้ายเกิดขึ้นมา เจตนาชั่วร้ายขึ้นมาเจลิเมิดสิขาบทหรือเจลิเมิดชีวิตของบุคคลอื่นหรือเบียดเบียนกระแสชีวิตของบุคคลอื่นไอเวลเจตนาชั่วร้ายเหล่านี้มันถูกเจตนาที่ตั้งไว้ก่อนกระตุ้นให้เวรตีขึ้นมาทำงานเวอน่นะ วเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดศีขาบทข้อที่หนึ่งเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดกระแสชีวิตของผู้สัตว์อื่นเนี่ยวันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจตนาที่ตั้งไว้ว่าจะไม่ล่วงละเมิดเจตนาที่ตั้งไว้จะไม่ละเมิดศีขาบทละเมิดกระแสชีวิตของบุคคลอื่นเนี่ยไปกระตุ้นให้วรตีมานั่งแท่นในใจแล้วก็มาตัดตอนเวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดศีขาบทข้อแรกเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการฆ่าเนี่ยให้หยุดทําางน ก็เลยไม่ล่วงละเมิดได้ด้วยกําลังของวิรตีที่มีเจตนาส่งมากระตุ้นมาให้เกิดขึ้นมาทํากิจเข้าใจยังมันเป็นแบบนี้นะศีลเมันแข็งแรงแบบในวิรตีสัมมากัมมันตาวิรตีเนี่ยเลยมาตั้งแทนทํางานตัดตอนเวรเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเห็นการล่วงละเมิดศิษขาบทและเป็นเหตุการณเบียดเบียนและฆ่าเนี่ยให้หงายท้องไปเลยหยุดการกระทาไปเลย แล้วตื่นเต้นว่าเราละได้แล้วเ no. นาะนี่ต้องตั้งใจมามีความละอายต่อบาปเพรงกลัวต่อบาปอะไรก็แล้วแต่กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์เนาะเนี่ยเจตนาศีลเจตสิกศีล ส, ส, สงวนกุศลจิตก็เลยกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่ให้เกิดขนไม่ให้กระ จ, ระจายไม่ให้สร้านไปจริงจริงกำจัดความทุศีลได้จริงๆริกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอา ด, าอาดขึ้นมาได้จริงๆความ มีความเชื่อมัน่นมีความละอายมีความเกงรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นติดต่อต่อเนื่องโอ้โห ล, ลึกที่ไรตื่นเต้นทุกทีเลยได้อย่างตอนนี้ยมันเป็นแบบนี้นะได้หลักการจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีไหมแบบเนี้ถ้าไม่เข้าใจมันจะเกิดแบบนี้ไหมมันต้องเห็นจริงๆเลยนะคุณต้องไประลึกเห็นเจตนาตนเองจริงๆรนะตรงหน้าเห็นไหมเห็นเจตนาแบบนี้ไหมเรามีเจตนาดีจริงๆมิงไ แต่ไม่ได้สเปดสปะมันชัดลงไปแต่ละข้อแต่ละข้อเลยแล้วเอามาเดินได้จริงๆเอามาระลึกได้จริงๆดึงเอามาไข่ครวนได้จริงๆตื่นเต้นเลยไม่ได้อยู่มึนมึนงงงไปธรรมชาติเป็นศีลพระป ร, ะาประมาสะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจบวชแล้วก็แล้วแล้วไปอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเอือยไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่าไปอะไรใครๆนี่ แล้วก็อยู่ของเราธรรมดานี่แต่ที่ไหนได้อารมณ์เป็นที่ตัง้งในการละเมิดเต็มไปหมดเต็มไปหมดทั้งสัตว์สิ่งของสิขาบทก็เต็มไปหมดแต่ไม่เคยมีเจตนาใช่ไหมไม่เคยมีเจตนาที่จะไม่ละเมิดสิขาบทไม่เคยมีเจตนาที่จะไปเบียดเบียนงดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นและสิ่งของบุคคลอื่นขาดไม่กระทั่งเจตนาศีล ปาฏิโมกข์สังวรสีนมาเจตนาตัวนี้ศรัทธาพอมีศรัทธาก็เลยกระตุ้นเจตนาก็เหมือนเนนบวชที่สมาทานวิรัติมันเกิดแล้วพราบวชออกจากบวชเป็นสมาทานวิรัติเรียบร้อยแล้วเป็นเจตนาแล้วเน่ยแต่เจตนาอ่อนแอมันขาดข้อมูลความรู้ขาดปัญญาขาดสุตตะขาดข้อมูลของพระริยเจ้าขึ้นมาเลยเลยลึกไม่เป็นเลยบวชมาแทบตายมองเห็นยังหลองน่าเห็นยังตอนนี้ ล, ลึกได้ยังเนี่ยฮะ ของเนนใช่ไหมของพระไอะ้ที่ไม่จับเงินและทองเนี่ยนะก็ここมีเจตนาที่ไม่ร่วงละเมิดก็เมีวิธีงไงการท่านวันเดินทางไงทุกคนเดินทางนินแฮมก็เดินทางเขาเดินทางไงเมื่อสมาธะเมืเ่อความเมื่อเกิดความ หนึ่งมีเจตนามีเจีจํตนงความจงใจตั้งใจที่จะไม่ละเมิดศิขาบทใช่ไ้ยสมมนาเชื้อสายศักยะบุตรไม่รับเงินและทองไม่ยินดีเงินและทองใช่ั้ยเป็นต้นเหล่านี้ใช่ั้ยเอาและเราจะฝึกตนเองคนอื่นจะยังไงเราไม่ว่ากันเลยแต่ประเด็นคือเราจะฝึกตนเองไม่ร่วงละเมิดศิขาบทและไม่ล่วงละเมิดเงินและทองใช่ไหม ถ้าเราถ้าเรา ป, รปฏิบัติดีๆก็ไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นมีแต่คนช่วยเหลือจะไปไหนเขาช่วยหมดเก็ไม่เห็นต้องไปกลัวอะไรเลยตอนนี้ท้งนี้พวกนี้ก็อดตายกันหมดเลยทรที่อยู่นี่ไม่แต่ว่าไปได้ <S <S ก็อย่างที่บอกไงเราจะไปนะที่ไหนพอเราสมาทานอย่างนี้เราตั้งมั่นอย่างนี้แล้วเนี่ย มันกลับกลายเป็นความสุขที่เราได้ทําเขาใจะยังหนึ่งเจตนาที่ไม่ร่วงละเมิดสิกขาบทสองเจตนาที่ไม่คิดเบียดเบียนหรืออยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตนใช่ไหมเมื่อกี้ยงน้าถามเพื่อนอะไรถามเพื่อนต้องการเดินทางแล้วก็มีวิทยจกรดูแล ปัจจุบันนี้ง่ายมากเลยยมอุปถากมีเราสามารถให้ยมอุปถากนะเขาจ่ายให้ลูกจ่ายให้ใครจ่ายให้เขาจ่ายทางออนไลน์ก็ได้ง่ายมากเลยขอบัญชีเขาคุณมีบัญชีไหมชูจะเหมาแท็กซี่อ่ะมีงั้นก็จากนู้นไปนี้เท่าไหร่แล้วก็ให้เขาโอนให้แค่นั้นเองเรียกแกป๊ปเรียกอะไรเบียเสร็จปุ๊บใครเกาเก็บทาง ปลายทางได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยนักบวชกับยิ่งง่ายใหญ่ระบบเทคโนโลยียิ่งเจริญยิ่งง่ายใหญ่เลยเรายิ่งไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยไม่เห็นตัวเงินเลยนะครับตอนเนี้มองออกไหมแทบไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายให้กันเลยตอนเนี้ไม่มีแล้วเพราะมันจ่ายทางออนไลน์เบเสร็จปุบ๊บใครถือบัญชีใครต่างเรื่องเขาแล้วก็แจ้งให้เขาทราบแล้วเขาก็เป็นคนตัดหักบัญชีเขาไปจบ สบายมากเลยฮะหลวงนาตอนนี้ปฏิบุริปฏิบัติได้ดีมากเลยสีนก้อนนี้ยเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวด้วยสละมีก็สละให้โยมพ่อโยมแม่ใครก็แล้วแต่สละทิ้งมันไปไปทิ้งน้ํำก็ว่าไปโอ้สบายมากเลยตอนเนี้เราไม่ต้องเกี่ยวเลยกุศลมันไม่ใช่ตัวนั้นบุญมันไม่ใช่เงินบุญมันคือกุศลจิตมันเป็นนามธรรมหึวงนาเนะ่ยสิกขาบทจริงๆเนี่ยมันเป็นข้อฝึก สิ่นี้จริงๆมันเป็นตัวปรมามัดมันเป็นนมามธรรมวินัยมันเป็นข้อฝึกมันเป็นกติกาที่ต้องอยู่ร่วมกันมันไม่ต้องใช้เลยนะเนี่ยมันกลับโปร่งโล่งเบามันกับสบายใจมองเห็นยังมันกับสบายใจมากกว่าคนนี้ต้องไปกังวลกับมันว่างไงเลย เอางี้อืมขึ้นไปสู่รเคืออย่างนี้นะโอ้โหพูดเรื่องศีลยาวเลยเอาแต่ถามเรื่องศีนเนี่ยมันไปศีนแล้วนะแต่เนี่ยนยเอานะคำว่าศีรานุสติเนี่ยมันหมายความว่าการระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีนที่ตนรักษาไว้โดยปราศจากโทษห้าสี่ประการนะ อคันทะเป็นต้นอยู่เนื่งเนืองอ่ะสินที่ไม่ขาดเนี่ยเรียกว่าศีลานุสติมาจากคาว่าสีลังอนุสติสีลานุสติแปลว่าอะไรการระลึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลที่ตนรักษาไว้โดยปราศจากโทษเนืองเนืองชื่อว่าศีลานุสติองค์ธรรมของสีลานุสติได้แก่อะไรได้แก่สติเจตสิกที่ในมหากุศระกิจที่มีการเว้นมีการรักษามีการมั่นคงในสิกขาบทนั้นๆ นะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้การที่จะเจริญศีลารณ์สติได้เนี่ยผู้เจริญจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักห้าประการนะคือจะต้องชําระศีลของตในให้พ้นจากโทษสี่ประการแล้วอยู่ในคุณของศีลสีส่ประการให้ครบบริบูรณ์เดจะจะบอกว่าชําระไงสองจะต้องมีจิตใจพ้นไปจากความเป็นทาตของตัณหานะครับ เป็นธาตุของตัณหาเข้าใจนะคําว่าเป็นธาตุของตัณหาคือมีตัณหาบงการชีวิตเนี่ยเพราะว่าถ้ารักษาศีลดีแล้วเนี่ยมันมีโอ้โหมันมั่นคงไอตัวศีลเนี่ยเป็นธรรมมาเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเป็นธรรมังสารนังกระฉามิสารณะแล้วเป็นพุทธทางเป็นธรรมังเป็นสังขังแล้วเป็นสารณะเป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ต้องอาศัยตัณหาแล้ว การรักษาศีลที่ไม่มีความมุ่งหวังต่อโลกยียสมบัติด้วยแต่รักษาศีลเนี่ยศีเลนอะันนี้พุทธิยันติเลยเนะเพื่อต้องการจะหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ถามหน่อยว่าพวกเรามารักษาศีลเนี่ยเรามีจุดหมายคืออะไรเรามาทําของเราไหมจุดหมายที่นิพพานไหมเรามีจุดหมายที่นิพพานไหมไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นมันต้องเป็นนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นจุดหมายหลักที่ต้องมาเพียรพยายามลาบากในการรักษาศีลเนี่ยเพื่อต้องการนิพพานอย่างอื่นคือเป็นผลโดยอ้อมโดยตรงคืออนุปาทาปริณิพานเราต้องรักษาศีลเราต้องการนิพพานต้องการให้กิเลสนิพพานเพื่อขันธปรินิพานอันนี้เป็นบรมธรรมนี่คือจุดหมายของท่านทั้งหลาย ว่าเวลาจะบวชแล้วตั้งหลักยังไงเนี่ยนิพพานะสัจิกรณัฏฐายะสัพพทุกขะนิพพานะสัจิกรณัฏฐายะก็แปลว่าอะไรการบวชในครั้งนี้เพื่อจะกระทำพระนิพพาในให้แจ้งใช่ไหมจึงบากหน้ามาลักษาศีลกันด้วยความอุตสาหะอย่างยิ่งยวดเนี่ยมัน เข้าใจยังพระวันรสรุปแล้วท่านมารักษาศีลเนี่ยมาบวชเพื่ออะไรไไก็เพื่อนิพพานมันต้องชัดก่อนตรงเนี้ยถ้าอย่างนั้นท่านจะเจริญสี ร, รานุสติไม่ได้เพราะจะเจริญศีลเพื่อต้องการเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยเพื่อให้ได้ตรงเนี้ยมันเป็นสีราพตาปร r a m a t มันศีลที่มีตัณหาอิงอาศัยทิฏฐิอิงอาศัยความเห็นที่มันผิดพลาด ศีลประเภทนี้เอามาเจริญไม่ได้ไม่ตื่นเต้นไม่เป็นอารมณ์กรรมฐานการรักษาศีลด้วยความไม่รู้เรื่องไม่รู้จักศีลเนี่ยไม่รู้จักศีลเนี่ยไม่รู้จักศีลไม่รู้จักเจตนาศีลไม่รู้จักเจตสิกศีลไม่รู้จักสังวรศีลไม่รู้จักอวิติกรรมศีล คนที่ไม่รู้จกักศีลทั้งดังกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าศีลประตะปรามาทเพราะมึนไม่รู้เรื่องไม่รู้จุดหมายไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักจุดมุ่งหมายของศีลว่ารักษาศีลเพื่ออะไรแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไม่เข้าใจด้วยรักษาตามๆกันมาตามรูปแบบโดยไม่รู้เรื่องรู้รล้ว หรือรักษาศีลแล้วหวังจะได้เป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเนี่ยรักษาศีลแบบเนี้ยเป็นศีลรัตตปราหมาัดไม่ใช่ศีลในาศาสนาของพระชีนอเจ้าไม่ต้องมาบวชก็ได้แล้วสวรรค์เนี่ยไม่ต้องมาบวชก็ได้แล้วมนุษย์เนี่ยรักษาศีลตามตามกันมาก็ได้แต่พวกเราเนี่ยต้องการขวนขวายยกตนเองออกจากสังสารทุกข์เพื่อต้องการนิพพานเราจรึงต้องมารักษาศีล มันมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างนี้มันจึงจะเอามาเจริญเป็นศีรานุสติเป็นต้นได้โอเคไหมเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะ่พะพอบอกว่าศีลเป็นรูปเป็นนามเน้นฮะศีลเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมาฮะ เป็นนามธรรมศีลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลใช่ไหมอกุศลและศีลมันคนละเรื่องกันนั่นเป็นอยู่ในอีนูน่นในปฏิสัมพิธามัมากไม่เอาศีลเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเนนแท้มเป็นนามธรรมใช่ไหมเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยศีลเนี่ยเกิดที่ไหน เจตานาเนี่ยเป็นจิตหรือเป็นเจตสิกสีนี่เป็นจิตหรือเป็นเจตสิกเนี่ยมันจะเป็นสีลพระศ า, าปามากกันจริงๆในนี้พวกเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นี่เองเลยศีลเป็นจิตหรือเป็นเจตสิก ไอตัวเจตนาศีลเนี่ยเป็นเจสิกสังวรศีลวิเจสิกใช่ไหมเจตนาศีลเจสิกศีลสังวรศีลอาวิติกรรมศีลเนี่ยเอาทั้งทั้งจิตและเจสิกแล้วเอาตัวกุศลจิตที่มีสภาพเป็นการที่งดเว้นเลยสรุปก็คือว่าศีลเป็นกุศลจิตนี่แหละมีเจตนาเป็นต้นเห็นไหมเจตจํานงจงใจตั้งใจที่จะไม่ไม่ละเมิดสิขาบทเนี่ยเจตนาตัวนี้เป็นนามธรรม มันเกิดจากความตั้งใจแล้วจะต้องทำให้ใหได้จริงๆเนี่ยนั่นแนหะศีลศีลไม่จึงเป็นน้าไงแล้วมันเข้าใจว่าจะทำกุศลและจิตนี่ให้เกิดขึ้นยังไงจะได้กำกับพฤติกรรมทางกายทางวาิจาให้สังเกตดูนะว่าเรารักษาศีลว่าภิกษุไม่เป็นไข้ไม่พึงยืนขับถ่ายปัสสาวะใช่ไหมเราเข้าห้องน้าแล้วเรา นี่ห้องน้ำสกรปรกไม่อยากนั่งเลยเว้ยไม่อยากนั่งเลยเว้ยจาใจนั่งแม่งวะขอไปเนะยนั่งไว้ถ่ายเครียดด้วยตอนนั้นน่ทุกใจด้วยเครียดด้วยกลัวเชื้อโรคมันจะเข้าไม่ปลอดโปร่งเลยไม่โล่งไม่เบาเลยตอนนั้นเนะี่ยแต่ก็ต้องขับถ่ายอยู่งั้นในขณะนั้นเนะ น, น, นี่ยศนะีลเกิดไหย ถูกวินัยไหมตอนนั้นน่ะถูกต้องตามวินัยไหมถูกต้องตามวินัยไม่เป็นอบัติแต่ไม่ได้กุศลศีลมันไม่ได้มันไม่ได้ศีลไม่ได้ออกกลับมาคิดนะมันต้องเป็นตอนนั้นเลยมันต้องเกิดขึ้นตอนนั้นแล้วชื่นใจเลยเพราะได้ได้ไม่ละเมิดสิกขาบทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง ให้นอบน้อมต่อวินัยต่อข้อฝึกนี้เราพัฒนากายพฤติกรรมทั้งหลายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามตามแบบอย่างของพระเเจ้าเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายนอนึกอย่างเงี้ยมันถ้งตื่นเต้นเดี๋ยวนั้นใจมันโปร่งโร่งเบาไม่กลัวอันตรายเลยเพราะมีตัววินัยเป็นกรอบมีตัวกุศลจิต ซึ่งเป็นธรรมะหล่อเลี้ยงแล้วทำแล้ววินยัยคือพระเจ้ารักษาเราอยู่กํากับเราอยู่คุ้มครองเราอยู่เห็นยังมันตื่นเต้นมันชื่นใจในลักษณะอย่างนี้ตรงนั้นมองเห็นไดยังมันต้องไปฝึกอย่างนี้ไหมอันฝึกแบบนี้อันนี้ยกเพียงหนึ่งตัวอย่าง media. Media. แต่มีเยอะมีเยอะแต่ เห็นไหมว่าตัวตัวศีลเนี่ยมันต้องพ้นไปจากเป็นธาตุของตัณหาการรักษาศีลที่ไม่มีความมุ่งหวังตโลกียะแต่มีพระนิพพานเนี่ยเป็นจุดหมายและจะต้องมีจิตใจและมีการปฏิบัติกายวาจาและเทียมให้ตั้งอยู่ในศิขาบทอย่างใช้คำว่าเคร่งครัดหรือใช้อย่างจริงจั ง, จงะนะนี จนมีอาจจะพูดใดพูดหนึ่งจะมาจับผิดได้อ้างวัตถุขึ้นมาแสดงหลักฐานได้ก็คื อ, คอปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามเลยว่างั้นเถอะเนี่ยปฏิบัติกายพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เป็นไปตามศึกขาบทร2 7ยยีสิกขาบทมีก็ฝึกไปฝึกไปทุกข้อฝึกสิกขาบทแบวบข้อฝึกใช่ไหมนั่นแหละเดินตามวินัยฝึกตามสิกขาบท มันจะได้เข้าสู่ความเป็นกุศลจิตกุศลจิตที่เป็นศีลเนี่ยแล้วจะได้กํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามจริงๆเลยโอ้ยเลยได้ทั้งวินยัยได้ทั้งธรรมะวินยัยอนะได้ทั้งวินยัยวินัยที่菩าสดาก็คุ้มครองอยู่ธรรมะคือ菩าสดาก็คุ้มครองเราอยู่ธรรมะก็คือตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญานี่แหละ นี่ก็เลยได้ทั้งธรรมะได้ทั้งวินยัยวินะธรรมวินันยเป็นศาสดากําลังคุม้มครองปกป้องกระแสชีวิตของพวกคุณอยู่หรือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติอยู่เห็นไหมยังมันก็ชื่นใจที่ต่เนี้ยแปลว่าพระศาสสดากําลังขัดเกลาร์ใครพระศาสดาในฐานะวินัยขัดเกลารเราให้ไม่ล่วงละเมิดสิทาบทขัดเกลาเราเนี่ยไม่ให้เบียดเบียนบุคคลอื่น พระศาสดาในฐานะธรรมะทาให้ยังกุศลจิตที่เกิดขึ้นกับเราได้ปาละโมดพิติปฏิบัติีได้สุขได้ความตื่นเต้นได้ความชื่นใจเลยที่นั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานเลยเนี่ยเนี่ยพระศาสดากําลังตกแต่งเราอยู่ขัดเกลาเราอยู่แล้วเห็นอย่างนี้ไหมถ้าไม่เห็นอย่างนี้ก็ไปทั่วมั่วหมดเลยในเนี่ย ม่วหมดเลยทีนี้ไปแล้วฟึดฟึๆตไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยทีนี้มีความประพฤติกายวาจาและชีพของตนนั้นแม้ว่าคนอนาภาลและผู้ที่เป็นศัตรูแก่ตนจะไม่มีความเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ตามแต่วินยูชนทั้งหลายก็สรารเสริญบัณฑิต ท, ทั้งหลายก็สรารเสริญแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยความรู้นี่ตรงนี้สำคัญมากรู้ว่าศีล ศีลเป็นปัจจัยแก่อะไรวินัยเป็นปัจจัยแก่ปราโมทใช่ไหมวินัยอ่ะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทโอ้พอได้วินั ย, ยระดับศีลขึ้นมาเนี่ยระดับวินัยอยู่ในกรอบของวินัยที่ถูกต้องกฎเกณฑ์กติกา ว, วินัยที่ถูกต้องกุศลแลจิตเกิดขึ้นสิกุศลศีลเกิดขึ้นปราโมทไหมปราโมทปีติปสัสสติสุขสมาธิเนี่ย มันจะได้อุปจารลสมาธิได้ด้วยาการแบบนี้แหละเห็นไมถ้าศีลมันจะต้องเป็นปัจจัยรันแก่กันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันเข้าใจสมาธิได้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาจะได้เป็นพ้นจากกิเลสและกองทุกมันเข้าใจตลอดสายเป็นไปตามลําดับอย่างเนี้ยอย่างถูกต้องดีงามอย่างเนี้ยมันยังจะเป็นอาริย์กันตศีลแต่ถ้าไม่เข้าใจว่าจะรักษาศีลเพื่ออะไรเป็นไปตามลําดับอย่างเนี้ยมันเป็นศีลระพดะปรามาต มันกลายเป็นมึนไม่รู้เรื่องไม่ใช่ศีลในพระาศาสนานี่เลยนี่ระดบับศีลก็จะไปกันไม่รอดแล้วตรงเนี้ยมองเห็นได้อย่างเดียนี้ยเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติจนถูกต้องตามหลักการดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยว่าศีลเนี่ยนะประกอบไปได้วยความรู้ความเข้าใจก็เป็นเหตุให้เกิดปลาโมดปีติปสัสสธิสุขสมาธิได้อุปจารสมาธิแล้วพัฒนาต่อจนทําฌานสมาบัติอย่างอื่นจนได้อัปนาสมาธิแล้วก็ลงมือเลยตัวเนี้ย แล้วก็เป็นปัจจัยเกี่วิปาาัสนาญาณเป็นปัจจัยแก่มรรคขัสมาธิผลสมาธิเกิดขึ้นได้มันเข้าใจตลอดสายอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเรียกว่าอริยกันตศีลศีลที่พระอริยบุคคลชื่นชมและรักให้ที่เรารักษาศีลเราเห็นช่องทางเห็นเห็นมชมาปฏิปทาเห็นแนวทางของเราอยู่ว่าจะเป็นศีลวินัยสู่ปราโมสู่ศีลสู่ปราโมสู่ปีติสู่ปัตสธิสูขสมาธิสู่วิปาาัสนาญาณ สู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานมันเข้าใจตลอดทางเลยอ่ะเหมือนมี G.P.S นำทางเลยตัวปัญญาเนี่ยมีข้อมูลของพระริยาเจ้านำทางเดินไม่ผิดทางเลยศีลเป็นปตัวส่งไปอย่างเงี้ยจนถึงนู่นแหละพระนิพพานนั่นแหละถ้าอย่างเงี้ยศีลอย่างเงี้ยมาเจริญได้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ เมื่อประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หประการนี้แล้วก็ลงมือระลึกอโหเมวตาสีลังเหอขันทงังอชิตทงังหะเวอสาพรังอกรรมมาสังผู้ชิดสังอปรามมาสังประสัตถังสัพพะวินยูหิสมาธิสังวัตตนะกังบอกว่าไงศีลของเรานี้บริสุทธิ์ ดีน่าเพิ่มใจจริงนอไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยโดยแน่นอนศีลของเราบริสุทธิ์ทำให้เราพ้นไปจากความเป็นทาตของกิเลสแล้วนอศีลของเรานี้มิอาจจะมีผู้มากล่าวหาได้ศีลของเรานี้อันท้พานและผู้ที่เป็นศัตรูของเราจะไม่มีการเห็นดีเห็นงามด้วยก็ตามแต่วินยูชน มีคนมีปัญญาทั้งหลายเป็นต้นย่อมสรรเสริญศีลของเรานี้เป็นเหตุทำให้ได้ปราโมทปีติปสัสส t h สุขได้อุปจารสมาธิพัฒนาไปถึงอัปนาสมาธิเดินวิปัสสนาญาณเข้าถึงมรรคสมาธิผลสมาธิและเข้าถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนอย่างแน่นอนเห็นไหม ทีศีลที่มีโทษสีประการก็คือขันธศีละขันธศีนก็ศีลขาดขิดทศีลก็คือศีลเป็นรู้สัพศีละก็คือศีลด่างกรรมมาศีละก็ศีลพร้อยศีลที่พ้นไปจากโทษทั้งสี่ประการนี้แหละอขันธศีลก็คือไม่ขาดอขิดทศีลก็คือไม่เป็นรู้อ สักพราสีนก็คือไม่ดางอากรรมมาสักศีนก็คือไม่พร้อยเนี่ยคันทศีลได้แก่ศีนของเครื่องหัดหรือของบรรพชิตเนี่ยถ้ามีสิกขาบทข้อต้นหรือข้อปลายอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปเช่นศีนสิบของเนนเนี่ยข้อแรกขาดปณาธิบาดขาดข้อสุดท้ายรับเงินและทองขาดอย่างนี้นะอย่างใดเนี่ยบรรณาธิบดเนี่ย จนถึงที่ชาตรูปรชาชติเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งขาดไปเนี่ยเรียกว่าขันทศศีนเรียกวศีนขาดเข้าใจยังถ้าข้อต้นก็ดีหรือข้อสุดท้ายก็ดีหลุดไปนี่เ็าเรียกอะไรศีนขาดเหมือนผ้าขาดชายอะชายผ้ามันขาดก็ศีนขาดเขาเรียกว่าอะไรขันทศีละศีนขาด ก็จะ อ, อย่างขันธศีลถ้าอขันธศีลก็ได้แก่ศีลของครื่องหัดหรือว่าของบรรพชิตยอย่างสามณเณรเป็ น, น, นปต้นเหล่านี้ก็หมายความว่าไม่ขาดคงรักษาไว้เป็นปกติอย่างนี้เรียกว่าอขันธ์ศีละศีลเราไม่ขาดเนียนขาดไหม ข้อที่ก็แรกไม่กาดนี้่ก็ไม่ขาดแล้วนะนี่ชื่นใจแล้วนะศีลแบบเนี้ยมาเลยลึกเล้ตื่นเต้นประการต่อมาก็ชิตทะชิตทศีลแปลว่าอะไรชิตทศีลเนี่ยศีลเป็นรูชิตทศีลศีลเป็นรูทะลุอ่ะศีลเป็นรูยังไงเรียกศีลเป็นรูข้อที่สองถึงข้อที่ ถึงข้อที่9ข้อใดข้อหนึ่งขาดไปข้อใดข้อหนึ่งขาดไปอาจจะขาดข้อ2หรือว่าข้อ2ไม่ขอดไ่ขาด3 3สไม่ขาดไปขาด4 4สไม่ขาด5 5ไม่ขาดไปขา6 6ไม่ขาดไปขาด7 7ดไม่ขาดไปขาด8 8ไม่ขาดไปขาด9อันนี้เขาเรียกว่าฉิทศีลศีลเป็นเป็นรู แต่ของเราถ้าไม่มีเป็นรู้ๆๆอย่างนี้เลยเนี่ยนะอาจจะรููเดียวสองไม่เป็นรู้เลยเนี่ยก็ชื่นใจว่าศีลเราไม่เป็นรู้น้อศีลไม่เป็นรู้ศีลไม่ทะลุน้อเข้าใจยังเอาศีลเนรมวัดนี่จะเห็นชัดหน่อยอาชีตาศีลก็คือไม่เป็นรู้นะเด็กว สัพพราศีลได้แก่อะไรสัพพราเนี่ยสีด่างเหมือนโคด่างเช่นยังไงได้แก่สิกขาบทถ้ำกลางคือข้อที่สองถึงข้อที่ถึงข้อที่ะอะไรเด้อข้อที่แปดขาดไป ข้อสองหรือข้อสามแต่ไม่ขาดเป็นไปตามลำดับไม่ขาดติดกันนะมันสลับมันสลับข้อข้อสองขาดสามไม่ขาดแต่สี่ขาดอย่างเงเ้ยมันสลับไปที่ทไปจนถึงข้อข้อข้อเก้านั่นแหละเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอะไรสัพะราะเนี่ยมันด่าง ก็เห็นวัวดา่างใช่ไหมมันสลับมันสลับมันวัวด่างก็ถ้าหากว่ามันไม่เป็นแบบนี้เน้นก็พิจารณาว่าศีลของเราไม่ด่างเนาะมันตื่นเต้นด่างไหมันไม่ด่างด้วยนะโอ้โหน่ า, นาชื่นใจนะเนี่ยไม่ขาดด้วยแล้วก็ไม่ด่างด้วยเนียมีบ้างไ้มขาดด่างเป็นรึไม่มีนะอ้า ต่อไปแต่นี้อะกรมมาสกรรมมาศีกรรมมา ส, สก็คือศีลพร้อยพร้อยก็คือสิขาบทท่ามกลางคือข้อสองถึงข้อ7หมายถึงอย่างเงี้ยหมายความว่ า, วาขาดไปอย่างเช่นว่าสองหรือสามหรือสี่ติดกันโดยลำดับมันขาด ถ้าขาดไปถึงสี่ข้อนั้นนับวันหนักนะหมายความว่าสองขาดสามขาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่บางทีถึงสี่ถ้าสี่นี่ถึงหนักแล้วนี่ก็มันพร้อยจัดนะมันพร้อยเลยนี่นะหรือข้อสามกับข้อสี่อย่างเงี้ยนะ ข้อสองกับข้อสามหรือข้อข้อสองกับข้อสามหรือข้อหรือก็เออเออสามกับสี่เนี่ยหรือข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่กับข้อที่ห้าหรือข้อที่สามข้อที่สี่ในข้อเนี้ยมันสลับเนี่ยนะหรือข้อที่สี่กับข้อที่ห้าหรือข้อที่สี่ข้อที่ห้าหรือกับข้อที่หกหรือข้อที่ที่แปดเนี้ยนะ กรณีอย่างเงี้ยการขาดติดต่อกันโดยลําดับอย่างนี้เขาเรียกมันขาดติดกันมันขาดติดกันสองข้อบางทีเผอเกือบถึงสามนี่หนักแล้วนะมันพร้อยไปอ่ะมันลายพร้อยอ่ะมันไม่ด่างใช่ไหมถ้าด่างมันมันสลับใช่ไหมอันนี้มันพร้อยไปเลยลายเป็นพร้อยไปเลยมันขาดหนึ่งสอง่าสามไม่ขาดสี่ห้าเงี้ยมันมันมันกรณีเข้าใจเป็นพร้อยไหม เเป็นเป็นโลชายมันชื่นใจไงมันเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่ขาดสองเราไม่เป็นลูสามเราไม่ด่างสี่เราไม่พร้อยพอเราลึกเลยลึกอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันสะอาดเป็นกริบเลยเงี้ยมันชื่นใจไหมล่ะเอะเราวัวตัวหนึ่งมานะครับ มันเป็นสีขาวโปรตไปใส่สีปุดเข้าไปมันเป็นไงโอ้เห็นเบลเลอร์เลยอย่างเงี้ยมันมองแล้วมันชื่นใจอย่างนี้เข้าใจยังเนี่ยลักษณะอย่างนี้แหละฉะนั้นการรักษาสีแล้วมาระลึกได้ในกรณีอย่างนี้แล้วมันจะได้ตื่นเต้นและชื่นใจเข้าใจยังเดีเนี้ทําให้เข้าใจไปฟังตอบฟังเกิดความเข้าใจเนี่ยหลัถึงจะเอามาเป็นสีลานุสติได้เอามาระลึก นั้นจะแปลกใจว่ามันถึงอาระลึกกันไม่เคยขึ้นมันขาดบ้างมันเป็นรูบ้างมันด่างบ้างมันพร้อยบ้างเรื่องของเขาเลยไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมเรื่องขุด ออทุกข้อเลยครับจริงๆนะไม่ใช่เฉพาะนี้ก็มันก็ไม่ยากแหะครับแล้วก็ทำๆไปมันเกิดถ้ามันผิดพลาดแล้วก็สละนะครับสละฝึกตนเองโอ้โหเนี่ยพูดเลยเลยแต่เอาเดี๋ยวกลับย้อนอีก ไปไปมาก็เลยเอาข้าวเรื่องศีลทีนี้ใช่ถ้าเราเล็กแล้วเรากุศลศีลเราแข็งแรงดีปุ๊บเนี่ยจิตสงบได้สมาธิข่มนิวรณ์ได้เป็นปัจจัยตัวการเจริญวิปัสสนาญาณบรรลุธรรมได้โอ้ขนาดนั้นเนี่ยศีลมันดี พระทหารพระบุคคลที่ในสมัยก่อนก็ดีสมัยหลังพุทธการมาก็ดีล้วนแต่ถ้าไปเจอปัญหาชีวิตระ ล, ลึกถึงศีลนังนองเนี้ยพอเห็นศีลขขาตนเองไม่ขาดไม่ดังไม่ขาดไม่เป็นรูไม่ดังไม่พร้อยปุ๊บโอ้โหยปีตีเกิดทุกคนเลยทุกท่านเลยครับพ้นทุกได้เลยครับท่านทั้งหลายเหมือนน่่นอนาจารย์มหาสมปองว่าไงภิกษุไม่รู้จกักศีลไม่รู้จักโคใช่ไหม ไม่รู้จักโคลก็คือก็จะไม่สามารถรักษาศีลได้ก็ไม่รู้จักเขาไม่รู้จกัจกหน้าตาของเขาก็รักษาไม่ได้จริงๆ จ, จะไปรักษายัางไงก็เลยไปรักษาแบบผิดๆเข้าใจแบบผิดๆไม่ฟังให้เกิดความเข้าใจไม่รู้มันเกี่ยวกับเรื่องตนเองนะครับไม่ใช่เรื่องคนอื่นเลยนะเราต้องรู้จกักศีลถึงจะสามารถทาศีลให้เกิดขึ้นในตนได้ ทีนี้ถ้าไม่รู้จักเลยจบเลยทีนี้ฉะนั้นถามเนนมันหลุดไปซะแล้วเนียนหนึ่งเห็นไหมเกือบไม่รู้จกักศีลไปใช่ไหมตอนนี้เริ่มรู้กันยังเออเนี่ยแหละทําไม่รู้ยุ่งเลยไปจะสอบปทศีอยู่เลยไม่รู้จกักศีลเหนื่อยดังนั้นต้องกลับมานั่งเรียนกันใหม่เลยทีนี้ไม่สอนกันเลยไม่ได้สอนกันเลยในมงคลเนี่ยมีนี่ วินโยจะสุสิโตใช่ไหมวินัยศีลก็มีอยู่ในมงคลเนี่ยวินัยมีอยู่ในมงคลหูเยอะหมดต้องไปอ่านในมงคลแปลมงคลมาไปเลยแต่รไม่รู้จากศีลเสร็จเลยเลยทำไงเรียนอะไรกันเออนี่ยต้องกลับมาสอนพระ เดี๋ยวก่อนจะขึ้นกรรมฐานดูเรื่องจริตเพราะมันต้องลำดับจริตก่อนเนี่ยในบรรดาจริตเนี่ยจริตมีหกราคาจริตตาเป็นต้นจนถึงฉับพิเทนะจริตตาสังกโหเนี่ยคำว่าจริตตาจริตตานั้นได้แก่บุคคลที่มีกุศลกรรมหรือกุศลธรรมเนี่ยนะหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆจริตเนี่ย บุคคลที่มีกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆจริลีเนี่ยมีราค่าจริลีโทสะจริลีเป็นต้นเนี่ยเพื่อท่านในคำพิยุสุทธิมักนั่นหมายความว่าจริยาเนี่ยหมายความว่าการเกิดขึ้นเสมอจะรังประวัติตรังจริยาเนี่ยความเกิดขึ้นเสมอเสมอนะชื่อจริยา ราคะจริยา unit, ราคะจริยาก็คือความเกิดขึ้นเสมอเสมอแห่งราคะนี่ชื่อว่าราคะจริยาถ้าความเกิดขึ้นเสมอเสมอแห่งโทสะก็เรียกว่าโทสะจริยาถ้าความเกิดขึ้นเสมอเสมอของโมหะก็เรียกว่าโมหะจริยาถ้าความเกิดขึ้นเสมอเสมอของวิตกก็เรียกว่าวิตกัจริยาถ้าความเกิดขึ้นเสมอเสมอแห่งศรัทธาก็เรียกว่าศรัทธาจริยา ถ้าความเกิดขึ้นแห่งปัญญาเสมอเสมอบ่อยๆก็เ ร, เรียกว่าพุท ธ, ธิจริยาเขาจะยังเป็นไปลักษณะแบบนี้ความเกิดขึ้นเสมอเสมอแห่งราคะมีอยู่แก่บุคคล น, นั้นฉะนั้นบุคคล น, นั้นจึงชื่อว่าราคะจริตาทีนี้เวลาแสดงวนจนะฐานเนี่ยมันเป็นไปในทํานองเดียวกันนี้ทั้งหมดเลยเจดิตทั้งหกเนี่ยเป็นการแสดงโดยสงังเขปแต่ถ้าว่าโดยพิสดารแล้วเยอะมากเลย เยอะมากเลยมันมีทั้งสุดทัจจริตตะเออสุดทัจจริตก็คือล้วนๆแล้วราคะจริตโทสะจริตโมหจริตเนี่ยหรือราคะโทสะจริตราคะโมหจริตโทสะโมหจริตราคะโทสะจริตเนี่ยคือคือคืออย่างนี้ว่าราคะจริตโทสะจริตโมหจริตนะนะคนที่มีราคะโทสะโมหเกิดหรือบางคนมีทั้งราคะโทสะผสม มำว่าผสมในนี้ว่าราคาก็เกิดบ่อยโทสะก็เกิดบ่อยในคนคนเดียวเนี่ยอันนี้คือ ร, ราคาโทสะเฉลี่ยหรือบางคนราคาเกิดบ่อยแต่โทสะไม่บ่อยแต่เป็นดักหนักที่โมหะให้สังเกต ด, ดูนะนี่คือ ร, ราคากับโมหะนะครับบางคนเป็นโทสะกับโมหะแต่ราคาไม่ค่อยมีหรอกแต่โทสะจังเลยแต่โมหะก็เกิดจังแต่ไม่ค่อยกำหนัดยินดีกับใครหรอก แต่ถ้าพูดถึงหลงกับโกรธถึงหึงมาแรงเหลือเกินเนี่ยประเภทนี้ยบางคนก็พราราคาโทสะโมหะครบบริบูรณ์เลยราคาก็หึงไม่ธรรมดาพูดถึงโทสะก็มีน้อยหน้าใครโมหะก็หึงเจ็ดชัดเจนเลยเงี้ยใครเป็นแบบนี้ไหมครับราคาก็โหแรงโทสะก็มีโมหะก็มีครบไหมครบไหมเป๊ะเลยเลยงั้นก็กลุ่มราคาโทสะโมหะ พวกสุทธะเจริญล้วนๆเลยเนี่ยนะครอบไหมครอบเลยนะอันไหนหนักอันไหนหนักโมหาหนักอะต่อไปดูกลุ่นกลุ่มกุศลมั่งศรัทธาจริตพวกศรัทธาจริญจะเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในพรรเทนาใจผู้ทิจจริตพวกที่กลุ่มปัญญาแล้วก็วิตกจริญวิตกนี่ก็เอาอาจจะเป็นวิตกทางดีก็ได้นะ ก็มาปนกันนี่ศรัทธาพุท ธ, ธิจริตบางคนมีศรัทธาก็มีพุท ธ, ธิจริตมีความเชื่อมันแต่วิตกไม่ค่อยมีอยนูนี่บางคนก็ศรัทธาวิตกจริญเป็นคนมีศรัทธาแต่คนวิตกเจริญเคเห็นไหมเจติเห็นเยอะผู้หญิงบางคนเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นแต่นคนโอ้โหคิดมากนอนไม่ค่อยหลับกังวลตลอดเนี่ยนี่ก็ศรัทธาวิตกพุท ธ, ธิวิตกเออ บ, บางคนเป็นคนวิตกจริตแต่เป็นคนมีปัญญาเด่น ก็เห็นไหมเป็นคนวิตกจริตนี่แหละแต่ปัญญาดีจังศรัทธาพุทธิวิตกโอ้ยนี่สามเลยครับางคนเนะ่ยมามาครอบสามเลยครับมีวิตกกังวลด้วยมีคนเชื่อมั่นด้วยแล้วมีปัญญาด้วยมีมั้ยเราลกลุ่มพวกนี้มีไห ม, ม คือมันอย่างนี้นี้พูดแบบสุดท้าก่อนแบบล้ ว, ลวนๆแยกฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก่อนทีนี้ถ้าฝ่ายมิศ ก, กะบางทีมีเอาเอ า, เอาราคะเป็นมูลแรกก่อนก็คือราคาศัทธาจริตใช่กลุ่มนี้ไหมเราเป็นคนราคาจะราคาด้วยกำนัดยินดีด้วยแล้วมีควมมีศรัทธาด้วยอันนี้เป็นมีราคาเป็นมูลแล้วก็ราคาพุทธิ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนักไปที่ศรัทธาด้วหนักไปที่พุทธิวีราคาโดยมีพุทธิด้วยราคาวิตกเจริตเป็นคนมีราคาเจริตแล้วเป็นคนวิตกขงวดยกิตบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อย บ, อย บ, อยบอยตื่นเต้นเลยราคาวิตกใช่ไหมเป็นคนที่มีตรึกในเรื่องกามเยอะ ตึกในเรื่องกามเยอะคือมีความวิจิตบันจงในเรื่องการ์มในสีเสียงกลิ่นรสผลพระรวมไปถึงเวสด้วยว่าตึกในเรื่องสี ส, สวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยมันคิดไปในเรื่องเนี้น ย, ยใช่ในนี้ราคาราคะราคะวิตก วิตกแต่เรื่องเหล่านี้สีสวยๆจะแต่งยังไงจะทํายังไงเสียงจะทํำยังไงกลิ่ น, นมันจะนคิดแต่เรื่องเนี้ยเป็นไหมฮ ะ, ะเอออย่างนี้ชอบใจดีอย่างนั้นไม่ชอบใจวนวนว น, ว น, วนอยู่งั้นนะ่ะอ่างั้นอะวิตวิตกแต่กังวลแก่เรื่องกามนั่นแหละว่างงั้นนี่เรื่องกามแต่บางคนก็เรื่องกราร์มเพศเลยก็มีอันนั้นหนักเลยหนักเลยนัย่นนะ วิจิตบรนจงจะทํำยังไงดีจะเกี่ยวข้องยังไงดีพากันไปกินข้าวยังไงไปสนุกสนานยังไงไปเที่ยวยังไงน้ําตกงี้ยไปตรงไห น, นมันก็คิดวนๆวนๆไปเงี้ยอืมสร้างบรรยากาศตรงนั้นยังไงตรงนี้ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นยังไงต้องวางแผนยังไงโอ้โหเคยไหมอย่างเงี้ยโอโ้โอหฮะเออเนี่ยเปกวิตกนี่ก็กลุ่มอะไรกลุ่มพวกราคาวิตก ทีนี้มันมีสลับด้วยนะครับราคาศรัทธาพุทธิสามมาแล้วครับมีเป็นคนมีราคาเป็นมู ล, ลแรงๆครับแรงแต่ว่า <c oughs> มีศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยและมีปัญญาด้วยนะครับ <c oughs> คนกลนี้มีเพราะมูลมาจากราคาเฉลตแต่มันพยายามพัฒนาครับมันจะพัฒนาสู่ศรัทธาพัฒนาสู่พุทธ นะครับมันมันมาจากราคะนี่แหละเล่มพัฒนาตัวมันก็เลยมาเพิ่มอีกจากศรัทธามาพุทธิเออพวกเนี้ยไปด้านสวยๆงามๆไปเที่ยวน้ำภูเขาน้ำตกกินอาหารอ ร, อร่อยไปได้เหมือนกันอา่าเขาชวนไปวัดไปวา่าโอ้ไปได้ไปได้หรือไปศึกษาธรรมะเอาวิจัยได้เขาอเองเคยเจอไปคนไว้นี้เออมา มันมันมันไปได้มันมันปรับตัวมันไปได้ตามกิเลสของมันพอไปวัดที่โอ้โหดูลึกซึ้งเลยครับไปไหว้พระเจดีเนี่ยเดินน้ําตาเล็ดน้ําตาล่วงศรัทธาเกิดพอไปหาการรมมาคุณก็โอ้โหดื่มดําเต็มที่เขาเหมือนกัน <c oughs> และในขณะเดียวกันพบเอาเหตุเอาผลจะสื่อสาคําสอนเอาได้กี่เยอะได้ได้ได้เนี่ยพวกราคาศัทธาพธุทธิครับ เดี๋ยนียังนี่เป็นอย่างนี้เอนนี้จริงๆก็ดีหน่อยนะเนี่ยราคาสัทธาพุทธี่ได้สามสามจริตรวมคมิสกะมิสกะจริตภาษาเหนือก็เรียกแกงโครว ม, รวมเป็นไหมหนูเป็นนะ เป็นเปน็ราคะสรั ธ, ธาพุท ธ, ธิยังไม่ถึงใช่ไหมงั้นก็เอาราคาสัท ธ, ธาวิตกวิตกจริญที่ราคะโอ้โหเปิดเพลินสวยๆงามๆเอาด้วยศรัท ธ, ธาในพระรัตนตรัยในความดีเอาด้วยวิตกกังวลเป็นคนวิตกกังวลง่ายตื่นต้นง่ายนอนไม่ค่อยหลับ คิดนน้นคิดนี้เวลาจะเปลี่ยนงานเวลาจะทำอะไรต่างคิดแล้วคิดอีกเอาอยัางไงดีนะโอ้วกวิตกังวลอยู่นั่นแหละโอ้โหองนั้นเเกินว่าเหตุกังวลเกินว่าเหตุก็ราคะสัทธาวิตกใครเป็นบ้างฮะใครเป็นบ้างนั่งอยู่ตรงอ่าอ นี่ยราคาเห็นอยู่ตรงนี้ชอบอาหารอรอ่อยอร่อยไม่มันมาจากฐานตรงนี้ก่อนมูลมันมาจากราคาถ้าจะทำบ้านก็ต้องสวยสวยสีสวยสวยทำอะไรต้องดีต้องเนียบต้องอะไรก็หรือว่าชอบเสียงเพาะ <c oughs> ราคามูลพวกนี้ราคามูละนะเนี่ยราคามูลไอ้พวกนี้พวกนี้โรแมนติกไอ้ราคาจริตเนี่ยโรแมนติกโรเมนต์เนยโรแ ม, มนติกเป็นไงครับพวกราคามูลพวกนี้พวกนี้โรแมนติกพวกศรัทธาก็คือชอบทําสิ่งดีๆชอบความดีวิตกเนี่ยโอ้โหเปเป้ที่ว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟอะ่ะเขา้าใจคํานี้ไหม กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคุณกรุนกรุนกรุนกรุนนีอ่ามันกรุนอยู่นั่นแหละมันหลับไม่ค่อยสนิทแต่พวกวิตกจนพอกลางวันไปแล้วเป็นไฟไมโครแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ราคะพุทธิวิตกราคะพุทธิวิตกนี่ กี่ตัวนสามนะดีหน่อยนะราคาพุทธิวิตตกมันไปดีต้องพุทธิราคาไม่ดีคนบางคนเนี่ยประเภทที่ปัญญาดีเนี่ยเป็นคนที่วิกิตในกลางมากเลยมันคิดได้เยอะไงแล้วยิ่งวิตกเข้ามาผสมเข้าอีกโอ้โหทีเนี้ยให้มันให้มันวิจาร์วิจัยเรื่องสีเรื่องเอลงต่าง ไปทําอาหารก็เก่งไงพวกนี้ยมัน<ส>ประดิษฐ์เก่งโอ้โหมันไงประสบความสําเร็จเลยครับพจน์พระราชาพุทธิวิตกโอ้โหมันแล้วยังมีอีกกลุ่มนึงนะราคาศรัทธาพุทธิวิตกมาสี่เลยครับแต่เนี้ยราคาสัทธาพุทธิวิต ก, ต น, าาตกนี่สี่เนะนี่หนักเย็นน ะ, ะราคะเป็นมูลเดิมอยู่แล้ว ต่อมาม า, มาศึกษาเรื่องดีๆงามๆทั้งหลายเชื่ออีกแล้วเรื่องเหตุเรื่องผลก็ได้แต่เป็นคนยกจิตเยอะจังคือเยอะอ่ะเป็นคนเยอะอะ่ะก็เห็นไหมเกินจริงๆอะ่ะเรื่องนิดเดียวแล้วมันก็ ม, มันมันว น, นเป็นเรื่องใหญ่งมันเะแต่มันฉลาดด้วยแล้วเป็นคนมีสตาด้วยแต่มีราคาเป็นมมลมาจากราคาหมล ใครเป็นบ้างครับนี่นั่งนั่งกันอยู่นี้ เ, นน เ, เดี๋ยวค่อยๆไป <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาราคามูลก่อนเอามูลคือราคาตั้งต้นจากราคามูลนะไม่จะราคาศรัทธาจริตราคาพุทธิราคาวิตกแล้วก็ราคาศรัทธาพุทธิราคาศรัทธาวิตก แล้วก็ราคะพุท ธ, ธิวิตกราคาสัทธาพุท ธ, ธิวิตกมาสี่เรียดเลยไล่ไลำดับอย่างนี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่นี้เอาโลคลาคาเป็นมูลก่อนยังไม่เอาโทสะเป็นมูลยังไม่ได้เอาโมหะเป็นมูล เดี๋ยวยังไม่ถึงอันนี้เอาราคามูลมาจบลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยอนั่นเอาโทรศาพมูลแล้วั่นเนี่ยสรุปแล้วราคามีไหมมีชอบในสีชอบในเสียงชอบในกลิน่นชอบในรสชอบในสัมผัส ชอบชอบอากาศแบบไหนอชอบแล้วดีชื่นใจไหมเวยาอยู่อากาศบวิสุทเน่ยนั่นแหละราคาเออราคาก็ใช่ไงมันเป็นราคาไงมันชอบไง อ๋อก็มันก็ไม่ดีนั่นแหละแต่ถามว่าเราอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์แล้วเราชอบใจเนี่ยแต่เรานั้นมันเป็นความรู้สึกไอความรู้สึกชอบเดินั้นั่นเป็นตัณหาอ่าตัณหาปัจจนาแต่ถ้าชอบว่าอยู่ที่อากาศบริสุทธิ์นี่แหละดีจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเมื่อได้ร่างกายแข็งแรงแล้วเราจะได้ทําสิ่งที่ดีๆเจริญกุศลได้เยอะ จะได้จิตเป็นสมาธิอันนี้มันไม่ใช่ตัณหาแต่มันคิดถึงนี้ไหมแล้วเวลาคิดเนี่ยมันไปไม่ถึงสักทีมันก็ได้แค่ราคานี่แหละจำมาแล่าถามว่าจีวรสะอาดนี่ชอบไหมฮะจีวรสะอาดไม่ชอบอชอบมันชอบตรงไหนชอบเพราะอะไรทํำไมชอบจีวรสะอาด ใชไหมมันแค่เนี้ยมันมันจบเลยนะมันจบที่ราคานาะแบบนี้จีวรสะอาดเนี่ยมันดีจีวรสะอาดนี่ดีมันจะได้ไม่บรบกวนใช่ไหมตนเองและคนอื่นเป็นการรักษาความสะอาดด้วยไม่หมักหมมเชื้อโรคไม่มากุ้มรุมในกรัชกายนี้ด้วยเมื่อได้จีวร อ, อย่างนี้แล้วจะได้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเนี่ยพิจารณาเนี่ย เพื่อจะห่มจีวรนี้เพื่ออะไรเพื่อประพฤติป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกันเหลือปลายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเพื่อต้องการประพฤติพรมอาจารย์ยังไงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ราคาส่วนใหญ่มันตายตรงราคานี่แหละแต่เรานึกว่าเราไม่มีแต่มันมีก็ยังยังโอเคอย่างแต่เนี้ยเอาต่อไปโทสะมูลโทสะเป็นมูลต้น โทสะสัทธาจริตอบางคนขี้โกรธแต่เป็นคนมีศรัทธาปั๊บเดียวไม่ได้ละโกรธเจออะไรไม่ถูกใจโอ้โหโกรธก็โกโรธแรงอะไรนะยอมบางคนมาโอ้โหเห็นไหมนั่นแหละโกโรธแรงด้วยแต่ศรัทธาทำบุญใจถึงสละนั่นได้แต่ถ้าใครมาทำให้ขัดเคืองหน่อยโอ้โหปีตเลยว <laughs> ่างั้นนะพุ่งปีตปีตเลยเนี่ยโทสะสรัทธา โทษาพุท ธ, ธิโอ้โ oh, หเป็นคนโกรธแต่เป็นคนคิดเร็วฉลาดใช่ไหมบางคนเนี่ยโอ้โหถึกขี้โกรธมากอะไรนิดหน่อยโอ้โ oh. หแต่เป็นคนที่คิดอะไรเร็วฉลาดคิดเหตุที่ผลได้อย่างรวดเร็วแต่คนขี้โกรธโทสาวิตกโอ้เป็นคนโทษ า, ทาแต่วิตกอืห เครียดง่ายด้วยยกโอ้โหอะไรเป็นวุ่นไปหมดเพราะงั้นจะพออะไรจะเกิดขึ้นโอ้โหเรามีอะไรนิดน่งนีเครื่องได้เครื่องแล้วก็นอนไม่ได้เครื่องแล้วก็ทุกตกวิตกกังวลอยู่นั่นแหละเป็นไหมไม่มีอะไรนะโทสะศรัทธาพุทธิโอโมาสามตัวเลยนะเป็นคนขี้โกรธ ด, ด้วยและในขณะเดียวมีศรัทธาในความดีในพระรรมนิจไตเป็นต้นด้วย แล้วเป็นคนฉลาดในการคิดด้วยเห็ไหมโทสัตสัทธาพุทธิมาด้วยกันนะนะแล้วก็โทสาสัทธาวิตก <c oughs> <c oughs> เป็นคนขี้โกรธและเป็นคนเชื่อมั่นในความดีพุทธิเป็นชื่อปัญญาวิตกโอ้โหบาคนคิดเยอะวิตกกังวลทั้งหลายเลยนี่วิโต แล้วก็โทสะศรัทธาพุทธิวิตกมาสี่เลยเคยเห็นไหมคนบางคนขี้โกรธแต่เป็นคนศรัทธาและเป็นคนมีปัญญาเยอะและเป็นคนเป็นคนเรื่องเยอะจัดเลยเรื่องเยอะมากโ อ, อ้โห นันไอ้คนที่มีศรัทธาไอ้คนที่มีโทสะศรัทธาพุท ธ, ธิวิตกโอ้โหคนที่มาสี่ตัวนี่แหมรับมือยากจังเลย <c oughs> <c oughs> เขาเร็วมากคนประเศเนี้ขี้โกรธด้วยคิดเร็วด้วยมีศรัทธาด้วยแล้วพอะอะไรเกิดขึ้นมาวิตกกังวล <c oughs> วิตตกกังวล ไม่ได้นะเจ้าไม่ได้นะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นองัอุ้ยตกกังวลเลยเห็นไหมยังพอพูดเรื่องนี้มองเห็นหน้าใครเลยใช่ไหมหลายคนเลยนะอืนี่มายากโทรศโทรศัมูลนะแต่เห็นไหมพวกนี้คลายปัญญามากเลยเพราะว่ามีปัญญาปัญญาก็ดีพุทธิ์งโทรศัพศรัทธาพุทธิวิตรกฮะ พวกนี้แก้ปัญหาได้เร็วเขาคิดอะไรนี่โอ้โหวิตกอะไรต่างโอ้ยิบเลยเดี๋ยวนี้นะปื๊ดปื๊ดปืดปืดปดปืดเร็วมากทําอะไรไม่ช้าไม่ช้าเร็วปึ๊ดปื๊ดปื๊ดปืดเลยครับถ้าเขาทําอะไรไม่เสร็จนอนไม่หลับนะพวกเนี้ยถ้าเจอโอเคทําอะไรเสร็จจับแล้วแล้วเขาจริงจะนอนได้จรงจะพักได้แต่เงี้ยโอ้โหเขาเต็มที่เลยตรงนี้ จริงๆมันต้องแก้ไขทั้งนั้นนะตรงนี้นะจริงๆแล้วในพระศาสนาก็ต้องการแก้อย่างเนี้ยพวกนี้จะจะให้กรรมฐานต้องให้กรรมฐานเยอะๆอ้าวเดี๋ยวต่ออมโมหะมูลบ้างแต่เนี้ยจะได้อาโมหะความหลงหลงไม่เคยรู้เรื่องคิดเลยไม่เคอยออกฮะ ลังเลสงสัยกับฟุ้งไอ้มอมูฮจิตเนี่ยจิตที่หลงอย่างยิ่งหลงยกกําลังสองนี่แหละเข้าใจคําว่าหลงไหมคือโดยมากอยู่แล้วไม่ค่อยวินิจฉั ย, ยอยู่ที่เพเพลินๆแบบนี้ไม่อยากจะแยกแยะเหตุและผลเลยไอ้หล ง, หลงเป็นคนไม่ค่อยอยากแยกแยะอะไรแล้ว มันมองเหมือนอย่างนี้ถ้าคนโมหาจริตเนี่ยเป็นคนทนคนอื่นได้ดีมไม่ใช่ใชขันติมันเป็นคุณธรรมสูงทนมปล่อยปล่อ ย, อยไคิดอะไรเยอะมันจังแยกอะไม่โกรธแล้วเราคิดยังไงเรามานตสีการยังไง ไปคำว่าไม่โกรธเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันจะหนักไปทั้งโมหะไม่หลงคือมันอย่างนี้นะถ้าโมหะเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าโด อากาศร้อนฝนตกก็เฉยๆไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดเยอะมันก็อยู่ได้มันคล้ายๆปร่งนะก็ไอ้ที่มันอยู่ตามสลาอยู่ตามที่ต่างๆเห็นคนโมหายเยอะๆไมไม่นอนตรงไหนก็นอนได้นะเคยเห็นใช่ไหม ซาปเลอรอ่ะเวยไปคิดอะไรเยอะว่างั้นนะมันก็กินเฮ้ยไม่กินนึกมู๊ตายไปมีอะไรแล้วแล้วสักระกอกพวกนี้ใช่ไหมไม่ได้แยกแยะเหตุและผลเมียจะบน่นยังไงก็บ่นไปเฮ้ยก<า>็ไม่เป็นไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนปัญญาเปียบเลยเนะ<า>เหมือนเลยนะ่ มันก็บน่บนเดี๋ยวมันก็หยุดแต่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นไม่ได้ไปจัดแจงสถานการณ์ทั้งหลายนี่ไม่ไม่ได้แยกแยะเหตุผลว่าที่เขาบ่นมันมาจากอะไรแล้วจะแก้ปัญหายัางไงหนึ่งสองสามยังไงมันไม่ได้มีไปแยกแยะรายละเอียดเลยเลยนะหรือว่าอาอยู่ๆไปเนี่ยลกๆก็อยู่ไปนะเขาไม่เป็นไรหรอก ไม่เคยไปแยกแยะว่าเราจะไปทำยังไงมันสะอาดสะอาดยังไงไม่ไม่ได้แยกแยะที่นอนในห้องก็นอนนซุกๆุกไปไม่ไรรลบไม่คิดอะไรเยอะมันก็ปล่อยโลกลุงลังเลเนี่ยโมหะเป็นยางไงฮะเข้าใจไปตรงนั้นเข้าใจไหมโมหะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนขันติแต่มันไม่ใช่ เพราะมันไม่แยกแยะเหตุแลวผลคนเนี้ให้คนนี้ดีเองว่าไงดีเออก็ดีมันดีตามเขาไปเลยนะยังไม่ได้แยกแยะองค์ประกอบนะเฮ้ยคนนั้นไม่ดีว่ะอเออไม่ดีก็ไม่ดีเว้ยนี่มันมันตามเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้แยกแยะเหตุผลแล้วโมหามันจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทานองแบบนี้มันมันหลงพอเขาใจอย่างเขาโมหะ อันนั้นโลภะอ่าที น, นี้โมหะสัทธาจริตเออไปด้วยกันเนี่ยนะอ่ะโมหะกับสัทธาโมหะหลงเพราะไอตัวนี้มาด้วยกันในพวกนี้จะเชื่อผิดผิดเพราะมีโมหะเป็นฐานเป็นมูลอยู่ใช่ไหมอะไรที่มันเชื่อแบบผิดผิด เข้าเจ้าทรงผีดูหมอต่อชะตามันไปโอ้โหเชื่อเลยเชื่อเรื่องกรรมเก่าเชื่อเรื่องอะไรต่างเลยนะเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรต่างเลยโอ้โหมันเชื่อดียังไงพวกนี้ไอ้มอไอ้มอโมหสถาเนี่ยมันมันเชื่อแบบนี้เลยไม่เอาเหตุเอาผลเชื่อโอ้โหไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่น ะ, ะมันมังวันอย่างเงี้ยมันจะมาแบบนั้นเป็นไหมเคยเห็นเยอะไหมแบบเนี้ยฮะ เนี่ยโมหสัทธาโมหพุทธิเอามาด้วยกันยังไงอ่ะโมหกับพุทธิเออคือคือคือโมหาบางเรื่องก็ก็หลงแต่บางเรื่องเรื่องเรื่องแยกแยะเหตุผลบางอย่างเนี่ยเป็นกิจของพุทธิคือคือคือมันมาจากโมหานั่นแหละแต่มีพัฒนาตัวไป ม, มีพุทธิเข้ามาเกิดลุ่มมาเกิดร่วมด้วย เป็นคนชอบตักกะชอบเหตุชอบผลชอบอะไรต่างๆแต่ไม่ทุกเรื่องไอ้ที่โมหะมันคองคลองพื้นที่มันอยู่มันไม่ได้เช่นเช่นนะออถ้ากับกับญาติกับลูกกับเมียกับแรงต่างเนี่ยมึนๆงงๆแตไ่ไปเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องแรงต่างโอ้โหเอาเหตุเอาผลนเกินว่างั้นเถอะมันไปเรื่องอื่นนะ ไปเรื่องโอ้โวิเคราะห์เหตุวิเคราะห์ผลเรื่องอื่นได้หมดเลยนะแต่ถ้าไปเรื่องอันนี้มันลูกแล้วนี้ก็หลงไม่รู้เรื่องไม่เอาเหตุเอาผลหรอกเรจะทําผิดทําถูกไม่เป็นไรไม่แยกแยะไม่บอกด้วยแต่ถ้าเรื่องอื่นโอ้โไปวิจัยที่จังนี่โมหะกบฏดิก็เห็นไหมคนอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นคนข้างนอกนี่ก็โหสุดยอดเลยพอไปทั่งครอบครัวแล้วเทอะเอนี่ยนะ หรือบางทีข้างนอกไม่ได้เรื่องเลยแต่ในครอบครัวโอ้โหระเบียบเก็บเหตุผลดีจังเนี่ยโมหะกับพุทธีธนมาด้วยกั น, น, ด น, ไ, นได้ไงมันกินพื้นที่กันคนละเรื่องคนละราวมันไม่ได้รอบทั้งหมดกันมันไปชำนาญในเรื่องอะไรเบียเศ็มันบอกว่าเอ้ยนี่ขอบข่ายของโมหะน้องเี่ยมายุ่งกูนะไอ้นี่ขอบข่ายกองพุทธะโมหะอย่าไปยุ่งเออมันก็ไปแยกพื้นที่เฉอโมหะมันก็มีอยู่ครับโมหะ โมหะวิตกโอ้โหแรงเลยครับวัเนี้ยแรงเลยครับแรงเลยเป็นโมหะด้วยแล้ววิตกกกังวลด้วย<อ>คือไม่ค่อยเข้าเหตุเข้าใจเข้าเหตุวิตกกังวลในเรื่องที่มันไม่เข้าท่าเข้าทาง<อ>วิตกกังวล<อ>เกินเหตุเพราะโมหะปิดอย่างงี้เกินเหตุเลยนะโมหะโมหะกับวิตกมาพอเขาพูดเรื่อง เรื่องที่ไม่น่าไม่น่าที่จะนั่นเนี่ยมันน่าจะจริงมั้งเนี่ยก็ช่วงนี้มันช่วงดวงดาวดวงดาวมันอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยวิตตกกังวลก็ต้องให้ไปแก้ตรงนั้นต้องไปแก่ ว, วิตวิตกกังวลไมเพราะเพราะไม่ได้ทํานอนไม่ค่อยหลับไหมพงศ์ย์นอนไม่ค่อยหลับเนี่นนย amen เนี่ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกโมหะวิตกโมหะศรัทธาพุทธิเห็นไหมเป็นคนศรัทธาแต่ฐานมาจากโมหะพุทธิพวกนี้จะไปในบางในเชื่อเรื่องใดแล้วก็มีฉลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่บางเรื่อ ง, งโง่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเนะี่ยมันไม่มันไม่รอบบางคนโอ้โหไปจัดแจง ไ่เชื่อมั่นในเรื่องคนในความดีจริงอะไรต่างๆก็จริงนะแต่หลงไม่รู้เรื่องเอาเอาเหตุผลแต่ปัญญาเนี่ยมาทำกิจได้ไม่รอบมันได้ไปรอบเพราะมันคานกันอยู่มันสลับกันอยู่แล้วก็โมหะศรัทธาพุทธิวิตกโอ้โหไอ้โมหามูลเนี่ยละยากจังนะตังเกตได้ไหมเนี่ยพุทธิถึงมีอยู่ก็จริงแต่ไอ้ตัวโมหะเนี่ยถึงเป็นฐานเป็นมูลแลกลากเนี่ย มูลรากเนี่ยโอ้โหแนะนำยากบางทีมันไปให้ปัญญามันมันก็มีปัญญาไปรับใช้โมหะมันเถียงกลับมาแจระทีที่เราเหนื่อยเลยนะครับทั้งๆ้งที่มันโมหะกินมันอยู่เนี่ยคนที่มีโมหะเป็นมูลเนี่ยครับพอพ อ, พอให้ข้อมูลพอให้ข้อมูลมันได้ทิฏฐิอีกอย่างหนึง่งมันได้ทิฐิประหลาดประหลาดออกมาอีกอย่าง แล้วมันก็เลยเอาเอาเอาเอาปัญญาไปรับใช้โมหะเพราะปัญญาไปรับใช้โมหะโอ้เฮ้ยแต่เนี้ยพูดเรื่องอะไรมันก็รู้พูดเรื่องอะไรมันก็รู้แต่มันหลกมันมันเชื่อมันอย่างเพอเพอบางทีเชื่อเรื่องดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เชื่อเรื่องหมอดวงต่างมันดันมีปัญญามันเอามาอธิบายเหตุผลทําให้คนอื่นเชื่อหลงตามมันได้ลองคิดดูเพราะเพราะมันโมหังไงแล้วก็วิตกกังวลอยู่กับเรื่องนั้นแหละ เอมันถึงสลับซับซ้อนมากโมหะเนี่ยโมหะศรัทธาด้วยพุทธิด้วยวิตกมาเขาอีกหแต่เนี่ยเป็นนี่อ่าอ่าสัญชัยปริภาชกครับสัญชัยปริภาชกมันเป็นอมราวิเคปาทิฏฐิเนี่ยพวกกลุ่มนี้เลยมันมันไม่กล้าตัดสินอะไรเลยครับมันกลัวผิด มันกลัวผิดบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เห็นมันมันมันมันลักษณะแบบนี้เลยอย่างเช่นว่าพบหน้ามีไหมมันไม่ไม่ไม่ยืนยันโดยตรงเพราะมันกลัวผิดแต่พอมีโมหะเป็นมุนพาอจริงๆคือไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ยมันคิดออกได้หลายบมมาก นี่สนจริงมันได้ปัญญาขั้นระดับตักกะระดับปัญญาระดับเหตุผลขั้นพื้นฐานแต่มันปัญญาขั้นประจักษ์มันไม่ได้เพราะโมหะมันปิดอยู่แล้วก็วิตกทํางานเขาอีกไปเลยแต่เนี้ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเออแล้วมันมีกลุ่มทวิมูลด้วยนะครับทวิมูลก็คือมีทั้งราคะโทสะศรัทธา ราคากับศรัทธาคือบางคนมันมาอย่างนี้บางคนมีราคามูลอย่างเดียวแรงนอกนั้นมาเสริมบางคนโทสะมูลอยู่ไหมนอกนั้นมามิสก่าเสริมบางคนโ ม, มหามูลนอกนั้นก็มาเสริมไอ้ที่กลุ่มทวิมูลนี่สิไอ้เฮือกลุ่มนี้มันมาจากฐานราคากับโทสะท่านจะว่าไ ง, ไงราคาโทสะเป็นมูลแล้วก็มีศรัทธามามิสก่า มาจากฐานของราคะคือความกำนัดมาจากฐานของโทสะคือความโกรธต่อมามาได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเนี่ยมันได้น่ะไอ้ส่วนไม่ดีมันมาสองไอ้ดีมาซะหนึ่งโอ้โหที่ศรัทธาก็ปนปราคาศรัทธาก็ขี้โกรธก็อีกพวกเนี้ยเพราะมันฐานมาจากเนี้ยฐานมาจากราคากับโทสะหรือราคาโทสะพุทธิโอ้พวกนี้มีราคะด้วย เป็นฐานความกำนัดยินดีเพื่อเพลินด้วยแล้วมีโทสะเป็นฐานเป็นมูลด้วยแล้วก็มีพุทธิมามิสกะมาเกิดร่วมปัญญาดีพอมาศึกษาหน่อยไรหน่อ ย, อยต่างๆได้ปัญญาได้แรงแต่ราคาก็แรงครับโทสะก็แรง้งคนไปและปัญญาดีปัญญาผู้มาได้เหตุได้ผลดูปัญญาดีที่หลังเนี่ยนี่มาที่หลังราคาโทสะวิตกโอ้โหนี้อันนี้หนักไอ้ฐานเดิมมาสองแล้วใช่ไหมราคากับโทสะ พอมาเจอปัญหาชีวิตมาได้สิ่งแวดล้อมใดต่างๆเจออะไรต่างๆกลายเป็นคนวิตกเยอะเลยพวกนี้โอ้โหประเภทเนี้ยไปไม่เป็นเลยครับเนี่ยนั่ น, แ, นแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ราคะโทสะสัทธาพุทธิวิตกราคะนะครับโทสะนะศัทธาพุทธิวิตกห้าเลยครับมิศกาห้าเลยโอ้โหซับซ้อนมากนี่ซับซ้อนว่ามาจากขานราคะกับโทสะ ศัทธาพุทธิวิตตกอัดเข้าไปอีกเนี่ยมันเยอะอย่างงี้ครับก็ราคาโทรศาทเป็นฐานยืนพื้นอยู่แล้วแล้วต่อมาก็ไม่ได้ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้เหตุไม่ได้ผลก็กลายเป็นเงนินต่อมามาได้วิตกเข้าไปอีกโอ้โหไปเลยก็ตามสภาพนั่นแหละ อาราคะโมหะมูลโอ้โหมันโมหานี่แหละมันออกยากมันมีฐานโมหามาเนี่ยแถมเป็นคนแถมแถมเป็นคนที่มีโมหะด้วยแล้วมีราคะด้วยโอ้โหเนี่ยพอมามีราคะโมหามาได้ศรัทธาเข้าอีกออดเดี๋ยวนี้มันศรัทธาแบบไหนศรัทธาแบบแบบแบบแบบปักหรือว่าราคะโมหะ พุทธิเออนี่เริ่มได้มาดีนะ่ะปัญญามาคอยช่วยขจัดขจัดแต่ไปไปมามาถ้าพัฒนาปัญญาไม่พอเนี่ยพุทธิไม่พอเนี่ยรับใช้ราคากระโมห์แล้วก็ราคะโทสะวิตกราคะโทสะศรัทธาพุทธิวิตกราคะโทสะศรัทธาวิตกสุดท้ายก็ราคะ โทสะพุทธิวิตกราคะโทสะสัทธาพุทธิวิตกโอ้โหเยอะเลยห้ห้าจริตรวมเลยทีนี้พระมิสกะจัดแต่ถ้าพูดไปแล้วพวกนี้เก่งเหมือนพวกกระเทยเก่งหลายด้านดูเหมือนเก่งหลายด้านราคะก็เขาท่าอย่างนี้ ไอโทรศั์ก็หงขี้โกดใช่ไหมเนี่ยแล้วบางทีก็อะไรศรัทธาด้วยมีศรัทธาชอบทําบุญชอบอะไรเป็นคนเหตุผลดีด้วยแต่เป็นคนวิตกกังวลมัเคยเจอหเนี่ยมันพอจริลไปมั่วโอ้ยไปใหญ่เลยพวกเนี้ยเขาบอกโอยความสามารถดีอ่างั้นแต่แต่ บรรลอยากขึ้นใครก็ไม่รู้จะไปสอนไปยังไงพ่อไปสอนเนี่ยมีศรัทธาขึ้นมาหน่อยราคะมันมาแล้ววิตกมันมาแล้วมันมามั่วเลยต้องระดับปัญญายานดีจริงๆนะครับที่จะต้องไปจัดการตัดกิเลสบุคคลเหล่านี้ได้แล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆให้พัฒนาขึ้นมาได้เอาโทสะโมหะ โอ้โหนี่หนักเลยเนีโทสะโมหะโมุนโทสะโมหะเป็นมูลอยู่แล้ ว, ลวมาจากโทสะมาจากมาโมหะโอ้โหพวกเนี้ยถ้ากโกรธใครโกรธใครแล้วโกรธน้นในคนประเภทนี้นสังเกตด้วยนะไอ้คนที่คนที่โกรธใครโกรธแล้วไอ้พวกนี้ไม่ไม่ค่อยสนใจเรื่องสวยๆงามๆครับไอ้พวกนี้กลุ่มกลุ่มประเภททิฏฐิเจริิญ ไม่สนใจเรื่องสวยงามไม่สงสัยเพศตรงกรันไม่ไม่ค่อยเอาเลยนะพวกเนี้ยมันจะเอาแต่อุดมการอุดมการแบบผิดผิดมั้เน่ยมันปักใจอะไรขึ้นมาโอ้โหพวกเนี้มันโมหะก็แรงยิไม่โทสะก็แรงเป็นมุนหมดแล้วแล้วก็มามีศรัทธาอีกเป็นนั้นศรัทธาอุดมการก็โอ้โหมันเชื่อมันอุดมการโทสะโมหะศรัทธาดิษดูที มันเชื่ออุดมาการ์มันเนี่ยบอกยังไงก็ไม่ถอนนะครับตายไปกับอุดมาการ์นน่ะเนเมาครับพรพดเชื่อมั่นอุดมการแรงไหม เอาอีกห่อถ้าอย่างนี้สิยิ่งหนักถ้าจะเหมาน่าจะมามุมนี้โทสะโมหะพุทธิูอ้โหพวกนี้มันคือมันคิดเหตุคิดผลได้เก่งแต่เอาตัวการคิดเหตุคิดผลเนี่ยมารับใช้โทสะกับโมหะมันูอดมการมัโอ้โหแต่เนี้ยมันไม่ใช่ธรรมดานะพวกนี้ฮะเหมือนคนฉลาดไปไอะเลยครับ แต่ยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงรักษาอุดมการณ์เพราะตนเองมีปัญญาคอยรับใช้โมหะโทสะตัวเองอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงหลักการวิธีการอย่างเด็ดขาดใครมาอธิบายยังไงสามารถอธิบายโต้ตอบได้อย่างยกตัวอย่างเช่นนะแมวจะสีไหนไม่สนคอยมันกัดหนูได้ใช่ได้ <laughs> อุดมการณ์หมอเงี้ยนะมันคิดเ ง, นะงี้ย มันจะเป็นโจรมามันจะเป็นคนดีมามันจะเป็นอะไรมาจะขอทานไม่ไม่ได้เลือกไม่เป็นไรว่าไงเธอสามารถเอาไปทําวัตถุประสงค์ให้สาเร็จผลใช้ได้ไม่แยกแยะว่าไงเธอตอบสนองอุดมการกูกูเอาหมด oh. เนี่ยปัญญามันไปรับใช้โทสามโมหังใช่โอ้นน โ, โห oh, เนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าเลยพวกนี้ <laughs> เป็นหัวหน้า แล้วมันลองคิดดูดิว่านั้นถ้าเรารู้จากไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ไม่น่าครบถ้าอ่านขาดเรื่องจริตพวกนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นความโอ้โหถ้าไปเจอคนประเภทนี้ขึ้นมาโอ้โหน่ากลัวเลยครับโม โมหะโทสะพุทธิเงี้ยก็มีเมื่อกี้ว่ามาแล้วโทสะโมหะพุทธิวิตตกโหหนหนักเลยนี่ครับอันหนักที่สุดก็คือโทสะโมหะศรัทธาพุทธิวิตตกโทสะก็มีโมหะหลงก็มีปัญญาก็มี วิตกเออไม่ใช่โทสะโมหะด้วยศรัทธาด้วยเชื่อมั่นในรมการด้วยมีพุท ธ, ธิด้วยแล้ววิตกกังวลหนักสุดเลยครับห้าเลยครับมาเลยดอันนี้อันนี้พวกนี่ขนาดพวกเทวิมมนนี่ยังขนาดนี้แล้วนะที่หนักสุดที่จะพูดต่อนี่คือพวกติมูนครับ สามมูลเลยครับแต่เนี้ยราคาเป็นมูลโทรศัเป็นมูลโมหะเป็นมูลมาครบเซตเลยครับไอพวกนี้มาครบเซตเลยลองคิดดูล่ะเป็นคนที่มีโรแมนติกด้วยรักนะวิจิตเป็นจงด้วยแล้วก็มีโทรศัขี้โกรธอีกต่างหากหงดหยีดง่ายตัางหากและหลงนะมีความหลงเขาอีกเป็นมูลเลยนะแล้วมาเพิ่มสัตย์ไทยอีกหนึ่ง มันไปเชื่อมั่นถ้าเชื่อมั่นว่าเราอยากจะมีบ้านอย่างนี้มีรถอย่างนี้แล้วโกรธถใครมาห้ามหลักการตนเองโอ้โหแล้วก็มันรักอย่างนี้ด้วยแล้วมันมันมันก็อยากจะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็หงุดหงิดง่ายด้วยแล้วก็ หลงในเรื่องนั้นด้วยแล้วก็มีความเชื่ออย่างมากมายในเรื่องนี้ด้วยใครจะถอนไม่ได้ไหมหราคาโทรศัพท์โมฮาหมุหมนโอ้โหพวกนี้ท่านสอนถ้าเจออย่างนี้นะเขียยากเลยครับจะใส่ปัญญามันยังไงเอาคนอย่างเงี้ยใส่ไม่ออกเลยใส่เหตุใส่ผลไม่ออกเลยครับมันเชื่อมั่นเหมันแล้วมันเชื่อมันอย่างเงี้ยมันเชื่อแต่มันไม่มีปัญญา มันหลงแล้วมันขี้โกรธแล้วมันกำหนัดยินดีในเรื่องนั้นเอเจออย่างนี้ท่านจะว่าไงมันมาอีกสามมูลน่ะราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมืดบอดเป็นมูลฐานก้นมาแล้วแล้วมาได้สุดท้ายอีกหนึ่งไปเป็นไหมเอาราคะโทสะ นะครับราคะโทสะโมหะและพุท ธ, ธิอราคะก็มีก็แรงโทสะก็แรงหลงก็แรงต่อมามาได้เหตุผลทางปัญญุงปัญญาเมื่อมารับใช้จะเอาเอาเอาปัญญาไปรับใช้ราคะก็เก่งเอาปัญญาไปรับใช้โทสะก็เก่งเอาปัญญาไปรับใช้โมหะก็เก่งคนกลุ่มเนี้ย เก่งมากเลยเช่นชอบสิ่งเนี้โอ้โหปัญญาหาวิธีการตอบสนองกูกรธสิ่งเนี้ยปัญญาไปตอบสนองไปทําลายมานันแได้ไปทําลายมานันแน่ๆกูหลงในสิ่งเนี้โอ้โหปัญญาก็หาวิธีการเพื่อจะให้หลงยึดติดในเรื่องนั้นนี่ปัญญาวิ่งรับใช้ไอ้สามตัวเลยเราบอกโอ้โคนนี้ประสบความสําเร็จในชีวิต ใ น, ในด้านหนึ่งของชีวิตเป็นคนโรแมนติกในด้านหนึ่งของชีวิตไอ้นี่ขี้โกดไอ้ด้านหนึ่งก็ด้านหนึ่งของชีวิตนะยังมีความหลงไหลในเรื่องนี้อย่างมากยึดติดเชื่อเชื่อเ ช, ชื่อเครื่องล้างของขังอย่างมากมันไปหาของดีๆมาตอบสนองมันหมดเลยนะเพะ ม, มันมีปัญญามันมีปัญญาครับเคยเจอไหมประสบความสำเร็จเลยคนประเภทนี้เป็นนักธุรกิจระดับใหญ่ เป็นโง ม, มีมุมหนึ่งของชีวิตรโรแมนติกแล้วการลูกน้องอขี้โกธรขี้โกธรและในขณะเดียวกันโอ้โหมีเครื่องล้างของขังในบ้านเต็มหมดเลยมันไปหาไมา่ได้หมดเพราะปัญญามันดีคัปัญญามันดีเคยเห็นไมล่ไโอ้อย่าไปยกบุคคลนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่าไปยกบุคคลนะ จะเราระดับนำระดับไหนได้หมดเอาต่อก็คือนี่ราคาโทสะโมหะผู้ที่นะราคาโทสะโมหะวิตตกอือเอ้ไอ้นี่นี่ปัญญาไม่เกิดไอ้เมื่อกี้ปัญญาเกิดยังไปรับใช้ราคาโทสะโมหะไอ้นี้เป็นถ้าระวังอันตรายต่อบ้านเมืองเลยในพวกนี้ ถ้ามันทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมายุ่งเนือราคะโทสะโมหะนี่เป็นฐานเป็นมูลอยู่แล้วนะคะสามตัวแล้วก็มีวิตตกพวกนี้คิดไม่ใช่มันคิดมันอยากได้อะไรมันก็คิดจะเอาให้เรื่องนั้นมันโกรธใครมันก็คิดออกจากเรื่องนั้นไม่ได้ถ้ามันหลงเรื่องอะไรก็คิดวนอยู่กับเรื่องนั้นคงไอเนี่ยทำร้ายตัวเองไงพวกเนี้ มันทำร้ายตัวเองด้วยส่วนใหญ่เลยเคยเห็นไหมคนแบบนี oh ้เห็นไหมจริงมันต้องควรรู้จริงไหมเรื่องจริตเนี่ยควรไม่ควรถ้าไม่รู้พวกนี้จะเดินกรรมฐานได้ยังไงราคะโทสะ โมหะวิตกก็ราคาโทสะโมหะศรัทธาพุท ธ, ธิเออโอ้โหเนี่ยไอ้ น, นี้เชื่อมั่นอย่างมากถ้าราคาชอบอะไรก็มีความเชื่อในเรื่องนั้นแล้วก็หาวิธีการทุกอย่างต้องสำเร็จผลในเรื่องนั้นโทสะโกรธใครเรื่องไหนนะถ้าโทสะโกรธน ะ, ะแล้วมันก็รู้สึกไม่คลายเพราะมีโมหะบิดนี่นะ แล้วก็ปัญญาหาวิธีการกูต้องชนะและจัดการมานันให้ได้ถ้ามันหลงในเรื่องอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะมันจะต้องไปขวัญขวายมาทุกอย่างออกมาเพราะมันเชื่อมันด้วยว่ามันทำได้ประสบการณ์ไอ้พวกนี้พวกประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูง <c oughs> มีสิ ราคาโทาสะศรัทธาพุทธิราคาโทสะโมหะศัทธาวิตกโอ้โหปัญญาไม่มาทีนี้ราคาโทสะโมหะพุทธิวิตกอันนี้มามีเสียต้องวิตกที่หนักสุดก็คือราคาโทสะโมหะสัทธาพุทธิวิตกโอ้โหเด น, นี้พวกนี้วิจิตมากสัจการที่คนนะี่ย สัจการนี่คนนี่พระเจ้าแก้แก้วางระดับผมมิสกาจริตพวกนี้ที่จริงถ้าจะวินิจฉัยถ้าจะวินิจฉัยสัจกาตต้องวิสัยอะไรวะ เอางี้ดีกว่าเนี่ยถ้าถ้าสัจกะน่าจะอยู่ในจุดไหนเนี่ยแหละตัวราคาเนี่ยเพราะเขามีใช่ราคาโทษาโมหาศรัทธาพุทธิวิตตกงั้นเขาทำไมเขาจึงไม่ไม่ประกาศถึงสารณาคมวิเขาวิตกกังวลวิตกกังวลไม่ได้ไม่ได้ไ วิตกวิตกกังวลมาก็เสียชื่อเสียงทั้งๆที่ใจยอมแล้วแต่กิเลสเหล่าเนี้ยก้มรุมเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนอย่างเราจะไปนับถือเนี่อ้โเสียเลยเสียชื่อเสียงเสียหลักการเสียเรื่งต่างแล้วมีหลายคนนะครับคนรักหน่นี้สมัยคำพุทธการเนีเนี่ยขนาดระดับพระเจ้านะครับยังต้องให้บรรลุในอีกสามร้อยสองร้อยปีข้างหน้าหลังจากปฏิญญาแล้ววางแผนให้ขนาดนั้น อ๋อนั่นเป็นอยู่ในอยู่ในสาวสถีนี่แหละไม่ใช่ชื่อเป็นรู้สึกจะเป็นโซนาธันดาพรามหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจ oh, oh, oh. โซนาธันดาพรามสรุปแล้วตรงนี้นะโอ้โหวันนี้เลยเวลาไปเยอะเลยผมว่าจะว่นัไม่มี ในบรรดาจริตมีราคาเป็นต้นเหล่านี้มีจํานวนเจดในจริตทั้งสามีศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้มีจํานวนในเอกมูลทวิมูลติมูลเหล่านี้นะก็มีทั้งหมด4ีบเโดยโดยโด ย, โดยประเภทดังที่ปะปนกันทั้งไี้กล่าวฉันรายละเอียดจะค่อย ว, ว่ากันอีกทีเนาะเพราะมันมีคําอธิบายต้องมีใช้ความเข้าใจลว้ลวนในการตกเดี๋ยวจะมาบอกแยกแยะให้ดูว่าประเภทราคาจริตเป็นยังไงโทสะจริตโมหะ วิตกศรัทธาพุทธีนะก็อันวันนี้ก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นกลุ่มมิสกะจริตทีบอกจริตผสมนะตรงนี้เรารู้จริตเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อจะได้ไปเดินกรรมฐานและจัดการจริตไม่ดีและเพิ่มจริตที่ดีๆเกิดขึ้นในต้นจะได้เป็นปัจจัยกับการเขาเรียกว่าโรควิจิตวันจงที่เรียกว่าเป็นพวก เขาเวเป็นโรคโรคพิการซ้ําซ้อนทางด้านความคิดของพวกเราจะได้หายจะได้แก้ได้นะครับมูสัตว์เนี่ยเป็นพิการซ้าซ้อนทางด้านความคิดเนี่ยมันวิตกเราจะได้รู้เลยที่มันคิดอะไรซับซ้อนซับซ้อนอะไรทั้งหลายรวมมาแล้วมังงาแล้ ว, ลวอะไรก็จะเข้าใจมันตัวเองนะจะได้แก้ปัญหาชีวิตตัวเองด้วยใครที่ยังถ้าอยากจะสมาทานเฉลี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขมันยอมตายกับมันไป แล้วก็ให้มันรากกระชากรากถูไปแฮมจะแก้ไขไหมเนะกี่ยวข้องเกี่ยวข้องจากกรรมที่ทำมาในอดีตแล้วก็นำสู่ปฏิสันธที่ครับเราจึงกายมีจริต ว, ว, วิจิตบรรจงแบบนี้ครับ มีกิเลสแวดแล้อมแบบนี้เกี่ยวข้องแน่นอนแล้วมันต้องไปโอ้โหรายละเอียดถ้าไปเจาะลึกๆจริงๆเนี่ยมันเยอะมากผมไม่ก็อยากเจาะช่วงนี้เพราะพวกท่านยังไม่ได้ชํานาญในเรื่องจิตเจสึกกันถ้าเจาะลงไปขึ้นมาแล้วจะท่านจะรู้สึกไปตามไม่ทันตามไม่ถึงนะครับนี่พูดเพืองให้รู้พื้นฐานแล้วจะได้รู้ว่ามันมันสำคัญจริงๆว่าเราต้องรีบรู้พวกนี้จริงๆ นักศึกษาทายายสวดให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะได้รู้จักตนเองสถิทีแล้วเราจะได้ไม่เราจะออกจากมันได้เนี่ยเพราะอาศัยพุทธญาณของพระเจ้าเนี่แหละเราจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้จริ ง, งเอะไรสมควรแก่เวลาขอยพวกท่านทัง้งหลายออกจากกิตลสชั่วร้ายกันให้ได้